ต่อนนี้ไปตั้งใจฟังอาตมาภาพหรือผมจะได้กล่าวสัมโภชนิยกถาในงานผูกพัทสิมาปิดทองฝังหลุกนิมิตณวัดป่าน้องก่อแก้วแห่งนี้น ะ, ะก่อนอื่นอาตมาภาพขอร้องผู้ที่ถ่ายภาพขณะที่หลวงพ่อกำลังจะแสดงธรรม ก็อย่าห้ามถ่ายภาพที่มีแฟลชถ้าแสงมันเข้าตาแล้วหลวงพ่อจะพูดอะไรไม่ได้แล้วก็ผู้ที่มีธุระหรือว่าขณะที่ฟังโทรศัพท์ให้ปิดไปก่อนถ้าหากว่าผู้ใดมีโทรศัพท์เสียงดังเกิดดังขึ้นก็ให้ออกไปข้างนอกถ้ามีธุระ อย่ามาคุยโทรศัพท์ต่อหน้าหลวงพ่อถ้ามีเสียงบรบกวนขึ้นมาแล้วหลวงพ่อจะพูดอะไรไม่ออกและก็พร้อมกันผู้ใดมีธุระส่วนตัวที่จะคุยกันก็ให้ออกไปข้างนอกอีกเหมือนกันเพราะสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่สถานที่คุยกันเป็นสถานที่ฝั่งเพราะนั้นขอเตือน หมูพวกเพื่อนพระน้องพระนุ่มทั้งหลายคันตะทาญาติโยบทุกหมูเราถ้าหากว่ามีเรื่องทั้งสามอย่างที่มีมการคุยกันมีเสียงอะไรอย่างนี้หลวงพ่อเป็นพระป่าแท้ๆนะเป็นพระถอดด้ามเหมือนกันออกมาจากป่าอย่างชีวิตของหลวงพ่อเป็นพระที่มองมองดู ก็เหมือนมองมองเห็นมีแต่พี่ๆน้องๆของหลวงพ่อเกือบทั้งนั้ น, เ, นเคยอยู่ภูเจ้าก้อและเคยผ่านองค์หลวงปู่ล่ามาก่อนหลวงพ่อเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ล่ารุ่นแรกก็ว่าได้เพราะหลวงปู่ล่าไปอยู่ภูเจ้าก้อปี 2,500 หลวงพ่อก็เป็นเด็กบวชเป็นเนรสองพันห้าร จากกานก็เมื่อปีศูนย์ครบพระหลวงพ่อก็ได้บวชเป็นพระมองมองดูแล้วถ้าว่าเป็นศิษย์หลวงปู่ล่าแล้วหลวงพ่อจะเป็นที่มีอายุพันสามมากกว่าเพื่อนทั้งหมดถ้าว่าเป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงตาเอออนั้นหลวงพ่อยังเป็นผู้น้อยอยู่มากแต่เป็นหลวงปู่ล่าแล้วหลวงพ่อเนี่ยเป็นรุ่นพี่ของน้องๆทั้งหลาย จากนั้นหลวงพ่อเองก็อยู่กับองค์หลวงปู่ลาดแล้วก็ไปอยู่กับหลวงปู่แหวนแล้วก็กลับมาอยู่กับหลวงปู่จามที่เป็นหลวงอาสี่พันศารวมกันแล้วทั้งหลวงปู่ลาดหนึ่งพันศาหลวงปู่แหวนหนึ่งพันศาหลวงปู่แหวนสุจินโนอำเภอพล้าจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มาจำพรรษากับหลวงปู่จามที่เป็นหลวงอาอีกสองพันศา พอพรรษาที่หเนี่ยหลวงพ่อไปจำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาจน 2,512 จนถึง 2,525 อยู่กับองค์หลวงตาเป็นเวลา14ปี14พรรษาจะได้ออกจากวัดป่าบ้านตาแล้วก็ไปจำพรรษาที่วัดปา่านาคำน้อยพวกคณะทายาิโยมพวกน้องนุ่งทั้งหลายก็คงอยากจะทราบว่าชีวิตหรือว่า อายุของหลวงพ่ออินเท่าไหร่ขณะนีน้บอกได้เลยว่าหลวงพ่ออายุ66ปีอยากจะทราบว่าหลวงพ่ออินพรรษาเท่าไหร่เป็นพระพรรษา46าและกบพรรษาเน้นเท่าไหร่8บวก46บก8นั่นแหละ50ปีอายุ66ปี และก็ชีวิตของนักบวชของหลวงพ่อเนี่ยห้าสิบก่าปีเป็นอนุ瓦หลวงพ่ออายุเกิดมาเพียงสิบสองปีสิบอปีเข้ายากเขาปีสิบสอก็บวชเป็นสัมมาณีเพราะนั้นหลวงพ่อจังหวะหลวงพ่อเนี่ยถอดดำเป็นพระกรรมาฐานอยู่ในป่าดงพงพยไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้เรียนนักธรรมตรีโพเอกแต่เรียนหนังสือนั้นหลวงพ่อเรียนแต่พระไตรปิฎกนั้น หลวงพ่อเองเกือบเรียบว่าได้ศึกษาเกือบทุกเล่มโดยเฉพาะยางง อ, ะอาย่างยิ่งเรื่องพระสูตรกับพ่อวินัยเรื่องพระอภิธรรมนั้นหลวงพ่อก็ได้ศึกษาแต่ว่าเรื่องพระสูตรกับพระวินัยนั้นถือว่าเป็นชีวิตจิตใจของหลวงพ่อหลวงพ่อค้ออนคว้าศึกษาอย่างมากทีเดียวเรื่อง พ, พระไตรปิฎกถึงจะอยู่ในป่ารงพงศ์ภัยหลวงพ่อก็ไม่เรื่องปริยัติปฏิบัติปฏิเวท ต, ต้องไปด้วยกัน เพราะนั้นชีวิตของหลวงพ่ออย่างที่เรียนคณะครูบาน้องนุ่งทั้งหลายได้ทราบว่าชีวิตของหลวงพ่อเป็นพระป่ารงคงไพ่จริงๆแล้วก็เวลามีอะไรเสียงเข้ามากระทบหลวงพ่อจะเป๋ไปทันทีเพราะะพ่หลวงพ่อได้ศึกษาธรรมภาคปฏิบัติก็อยู่ในที่สงบส ง, งัด เงียบนิ่งจากนั้นจะได้ได้ข้อคิดธรรมะมาแนะนำสั่งสอนหรือว่ามาบอกกล่าวให้แก่ท่ า, าทศไยญาติโยมน้องนุ่งทั้งหลายได้ทราบถ้าว่ามีเสียงรบกวนหลวงพ่อจะพูดไม่ออกเพราะนั้นจึงได้เตือนบอกกล่าวให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบนะ ตอนนี้ไปหลวงพ่องานนี้เป็นงานสัมพันธ์เป็นงานยิ่งใหญ่จัดงานมาตั้งแต่วันที่สิบห้าจะจบชิ้นลงไปวันที่สิบเก้ันนี้เป็นวันนี้เป็นวันที่สิบแปยังอีกวันหนึ่งที่จะจบงานทือว่างานนี้เป็นงานอันยิ่งใหญ่งานมงคลมหามงคลอย่างยิ่งเมื่อกี้นี่ก็มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนพระเสียงพระพุทธปฏิมา เพื่อเป็นศิริเพื่อเป็นมงคลเพื่อจะได้กราบไหว้สักการะบูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถือว่างานนี้เป็นงานนันจริ้งใจเป็นงานปลูกฝังลูกนิมิตร เ, เพื่อพระสงฆ์จะได้ทําสังฆกรรมได้ทุกอย่างในศาลาหลังนี้ต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะได้ แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลแก่พวกข้ศรัชทาญาติโยมและพระสงฆ์น้องลุงทั้งหลายได้ฟังต่อไปนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะีโรจะสุขสังวโสยาตีนางวส ม, มาขโมตีตินะบดรนี้อาธมาภาพจะได้กล่าวสัมโมทิยกถาเพื่อเป็นชริเพื่อเป็นมงคล ในวันนี้ถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งในวัดป่าหนองเกาะแก้วของพวกเราวันนี้เป็นงานผูกพัทธิศิมาปิดทองฝังลูกนิมิตและก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนพระเศียรพุทธปฏิมาพระประธานที่ชลาแห่งนี้ หรือว่าศาลาแห่งนี้ต่อไปพวกเราจะได้ทําสังฆกรรมได้ทุกอยางมีการบวชมีการรับมีการอับปานทําสังฆกรรมในศาลาหลังนี้สมบูรณ์บริบูรณ์เหมือนกระโบด ท, ที่สร้างขึ้นมาเพราะว่าได้ฝังลูกนิมิตถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยเพราะฉะนั้นวันนี้พวกคณะสัตายาติโจม พระสงฆ์ที่มาร่วมกันก็ได้สวดให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยเป็นที่เสร็จ ส, จสจิ้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็พวกเราท่านทั้ทงหลายก็ได้บำเพ็ญการกุศลมีการให้ทานรักษาศีลแล้วก็ปฏิบัติจิตภาวนาด้วยแต่ว่าเราเน้นหนักกับเรื่องของทาน มีการทำบุญทำทานมากมีโรงทานแล้วก็มีการทำบุญทำทานถวายจตุปัจจัยช่วยพระพุทธศาสนาช่วยงานพระพุทธศาสนาอันนี้ถือว่าเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งสาหรับพวกเราท่านทั้งหลายพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเป็นพระธรรมคำสอนของราษาจารของพวกเรา อันนิสงแห่งการทำทานพวกเรามีทานอันนิสงทานเกิดมาพบใดชาติใดก็เป็นผู้ไม่อดอยากเพราะอันนิสงทานเกื้อกูลห น, นุนถ้าว่าพวกเราไม่มีอันนิสงทานไม่มีอันนิสงในการทำบุญทำทานเกิดมาพบใดเกิดมาพบหน้าชาติหน้าการทำมาค้าขายและการทำมาหาเลี้ยงชีพก็จะลำบากเพราะเหตุไรเพราะอันนิสงทานไม่มี ทำอะไรก็ขาดขาดตกตกห่นหลน่แต่ถ้าว่าผู้มีอเ น, นสงฆ์ทานแล้วทําอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองเพราะอเ น, นสงฆ์ทานเกื้อกูลนุนเพราะนั้นเราอย่าพวกเราท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามเรื่องการทําทานและอเ น, นสงสินก็เช่นเดียวกันอเ น, นสงสินก็พวกเราเกิดมาพบมีพบมีชาติถึงในชาติปัจจุบันนี้ก็เถอะถ้าคนมีศินไป น, นสถานที่ใดก็เป็นที่ยอมรับของผู้คนทั้งหลาย ไปเข้าสมาคมชุมชนใดชุมชนไหนเขาไว้เนื้อเชื่อใจเพราะเหตุไรเพราะถึงอย่างไรคนคนนี้คงไม่ทำความชั่วเสียหายในชุมชนของกลุ่มของพวกเราในประเทศชาติของพวกเราเพราะเหตุใดเพราะคนนี้มีสิท์ไปอยู่ในสถานที่ใดก็คงไม่คิดว่าจะฆ่าคนไม่คิดว่าจะฆ่าสัตว์ขนาดสัตว์ยังไม่ฆ่าเลยจะไปฆ่าคนได้ยางไร อาทินนาทานก็เหมือนกันจะไม่ขโมยของใครเพราะเป็นผู้มีศินแล้วก็ไม่ประพฤติลาบล ะ, ละล่วงสามีภรรยาลูกหลานของผู้ใดเพราะเหตุไรเป็นผู้มีศินแล้วก็ไม่โกหกต้มตุ๋นหลอกลวงใครเป็นผู้มีศินแล้วก็ไม่ดื่มสุราให้ขาดสติเสียสติเพราะเราเป็นผู้มีสินนี่แหละ คนมีศินท่านผู้มีศินไปอยู่ณสถานที่ใดไปใกล้กับชุมชนใดไปอยู่กับชุมชนใดชุมชนนั้นก็เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจเพราะว่าคนคนนี้เป็นผู้มีศินโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอาทินาทานถ้าว่าเกี่ยวข้องกับการเงินการคองถ้าผู้นี้เป็นผู้มีศิล น, นะนะเป็นผู้ซื่อสัตย์เป็นผู้ซื่อตรงไปทํางานธนาคารนะไปทํางานเกี่ยวกับการเงินคนทั้งหลาย ไว้เนื้อเชื่อใจได้ไม่ต้องตรวจสอบถ้าเป็นการผิดพลาดก็ผิดพลาดแบบที่ว่าไม่ได้ตั้ง อ, อกตั้งใจแต่จะให้โคดโกงเออเรื่องเงินคำทรัพย์สมบัตินั้นไม่มีเพราะเขาไม่มีเจตนาในเรื่องการคดโกงระหว่าการขาโมยของคนอื่นนี่แหละสินเนี่ยเป็นเครื่องเป็นเครื่องคุ้มครองในปัจจุบันแต่อนาคตแหะพราะพระองค์ท่านตรัสท่า น, นบอกกล่าวไว้ว่า คนที่มีศิลไม่ฆ่าไปชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเกิดมาพบหน้าชาติหน้าชีวิตของเขาจะยืนยาวจะไม่ตายง่ายเนี่ยคือต้องถึงอายุไขเสียกอนแต่ทุกคนเกิดมาก็ต้องตายแน่แล้วละ่ะอ่าอันนี้ก็คือแต่สินคุ้มครองแต่ถ้าว่าคนไม่มีสินชอบฆ่าตัดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอาจินรือว่าชอบการในการฆ่าทําร้ายทําลายสัตว์ ท่านว่าเกิดมาพบหน้า اي, ชาติหน้าชีวิตของเขาจะสั้นแล้ว ก, กว็ผู้ไรก็ตามชาติชอบลังแกสัตว์ไม่ถึงกับฆ่าแต่ชอบลังแกสัตว์เห็นสัตว์มากกระทุบตสัตว์อย่างเนี้ยท่านบอกเกิดมาพบหน้าชาติหน้าร่างกายจะทุบพลภาพเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายจะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเองที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ ไม่มีวันจบวันสิ้นเดี๋ยวป่วยป่วยนั้นป่วยนี้อยู่ไปบ่อยอันนี้เพราะวะ่าอันนี้สงเบียดเบียนด้วยเพระะาบาปกรรมที่เคยเราทำไว้ในอดีตอันนี้ก็คือสิลข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาทานก็เหมือนกันถ้าว่ามีพพมีชาติต่อไปภายภาคหน้าเราไปวางสิ่งของไว้ที่ไหนมีแต่คนขโมยรองเท้าวางด้วยกันลหลายๆคู่เรียงกัน แต่ของตัวเองก็หายไปท่างที่ตัวเองของตัวเองเก่าก็เพื่อนอต่างหากอย่างนี้ก็มีเพราะเหตุไรเพราะว่ามันเป็นบาปอกุศลส่วนหนึ่งอีกเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายสำรวมระวังอ น, น้สินคุ้มครองในอนาคตถ้ามีลูกสามีภรรยาลูกหลานก็เป็นที่ไว้เนื้อเช่อใจพูดกันง่าย แต่ไม่ออกนอกลูกนอกทางเพราะอนนี้อันนี้สงสินคุ้มขอบแล้วก็ไปนักสถานที่ใดก็ไม่มีใครต้มตุนหลอกลวงเราอีกเกิดมาพบหน้าชาติหน้าพบใครก็เป็นมิตร เ, เป็นสหายมีเป็นหมู่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอันนี้ก็คือศินข้อที่สี่ข้อที่ห้าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ไปนักสถานที่ใดการเพียนการ สอนเรื่าการศึกษาจะมีสติปัญญาเสียแปบเพราะเหตุไรเพราะว่าไม่หนักในเรื่องของเหมือนเมาในอดีตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นสินของพระพุทธเจ้าคุ้มครองทั้งปัจจุบันและอนาคตเพราะฉะนั้นพวกเราอย่ามองข้ามเรื่องศินที่พระพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากเป็นเครื่องดํารงชีวิตของพวกเราเป็นนานเท่านาน แต่ได้มาพูดถึงเรื่องสมาธิเรื่องสมาธิคือเรื่องทางด้านจิตใจเรื่องสมาธิวันนี้อาตมาภาพจะหรือว่าผมจะเรียงลาดับในการปฏิบัติตามแนวแถวของพ่อแม่ผูบาอาจารย์ของพวกเราแต่ถึงยังไงพวกเราที่ได้ศึกษามาก็ต่างคนก็ต่างได้ความรู้มาคนร้ทิศทาง แต่ที่ผมจะเรียนหรือว่าบอกกล่าวหรือบอกให้ฟังนี้อาจจะเป็นเทคนิคส่วนหนึ่งพวกเราจะได้นำไปศึกษาแต่ถ้ า, าว่าผู้ที่ได้ศึกษาหรือว่ารู้มาแล้วก็เป็นกานผ่านไปแต่ผู้ที่ยังไม่ได้ศึกษาตามแนวแถวนี้ก็จะได้เป็นแนวทางหรืออย่างน้อยก็เป็นเพื่อบอกกล่าว ให้แก่พวกที่ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและผู้ที่มาเกี่ยวข้องเพราะการฟังการศึกษานั้นความรู้ความฉลาดนั้นไม่ได้อยู่กับผู้ใดผู้หนึ่งคนที่จะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ในหลักของพระพุทธศาสนาธรรมะสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังเราต้องฟังใครพูดขึ้นมาเป็นศีลเป็นธรรมมากน้อยแค่ไหนเราต้องฟัง และต้องศึกษาฝังข่าวนี้ฝังองค์นั้นฝังองกนี้ถ้าฟังหลายๆอกเราก็จะได้แนวความคิดมากหลากหลายในแง่ความคิดแต่ละองกนี่แหละต้องฟังถ้าคนไม่ฟังจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้นะั้นไม่มีทางเพราะถ้าคนจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังท่านว่าสุดตรมยัปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟัง จินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานั้นมีเหตุมีผลอย่างไรแล้วจะนำมาประพุทธปฏิปัติปรปับปรุงกายวาจาใจของเราอย่างไรอันนี้คือจินตนาคือการไข้ควรทบทวนหาเหตุและผลในเมื่อได้ยินได้ฟังนั้นถ้าเราทบทวนกันกรองไต่ตรองดูแล้วไม่มีเหตุผลนเราก็ทิ้งไว้ ไม่นํามาแต่ถ้าจิงไหนที่มีเหตุมีผลที่เราจะนํามาประพุทธปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของเราเราก็นํามาปรับปรุงกายวิจาใจของเราเกิดประโยชน์อันนี้ว่าจินตามายะปัญญาภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาคือทําจิตใจให้สงบที่จิตใจเห็นเป็นหนึ่งเห็นนิ่งสะบอดถ้าเมื่อจิตใจของเรานิ่งผ่านความสงบแล้ว เราจะนำมาพิจารณาการกรองไตรตองเหตุและผลทางวิปัสสนาก็จะเห็นได้ชัดแต่ถ้าว่าจิตใจของเราไม่ได้ผ่านความสงบมาก่อนมีแต่ปุ่งฟุ้งซ่านออกไปแล้วจะนำมาพิจารณาเรื่องละเอียดถี่ถ้วนนั้นจะไม่ค่อยชัดเจนเพราะทัานท่านจึงว่าภาวนามายปัญญาภาวนามายปัญญาคานี้เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนา แต่เรื่องของทางโลกนั้นคือสุดธรมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฝังจินธรมยปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรจินตรมยปัญญาภาวนาปัญญาคือปัญญ า, าทําจิตใจให้สงบเป็นปัญญาของพระพุทธศาสนาเรื่องภาวนาปัญญาเนี่ยแต่พระพุทธองค์ท่านจังเน้นกนนอีกว่าให้สงแข่งการฟังธรรมผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง สิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นและบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตของผู้ฟังก็จะได้รับความผ่องใสนี่อั น, นี้สงแห่งการฟังธรรมเพราะนั้นการฟังจึงเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาพระพุทองค์ท่านตรัสเอาไว้ว่าการ แสดงปฏิหารสามคือแสดงฤทธิ์ได้อีกส่วนหนึ่งดักใจทายใจได้อีกส่วนหนึ่งแล้วก็อ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจอีกส่วนหนึ่งทั้งสามในพระทธองค์ท่านบอกว่าการที่อ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจอันนี้แหละคือเป็น เป็นเลิศ ก, กว่าปฏิหารสองข้อนั้ น, นอิทธิปฏิหารคือแสดงที่ใต้อเทศนาปฏิหารคือดักใจถ่ายใจอนุสาสนีปฏิหารคืออ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจพระพุทธองค์ยกย่องว่าอนุสาสนีปฏิหารเป็นปฏิหารอันยอดยิ่งในปฏิหารทั้งสมข้อนั้นคืออิทธิปฏิหารพวกฤาษีชีพาย เขาก็จะแดงได้แล้วก็อเทศณาปฏิหารดักใจทายใจได้พวกมายากลทั้งหลายเขาก็ทำได้แต่ว่าอนุสาสนีปฏิหารคือว่าการอ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจเนี่ยเราจะพูดแบบนั้นไม่ได้ถ้าพูดเข้าไปแล้วฟังดูแล้วไม่มีเหตุมีผลพวกเรายอมรับไม่ได้ทั้งนะั้นเพราะนั้นเออ ปฏิหารข้อที่สามเนี่ยสำคัญกว่าเพราะนั้นพวกเรานักปฏิบัติทั้งหลายให้ให้ควรทบทวนสิ่งที่ดียินได้ฟังแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายว า, ายจายจใจของพวกเราท่านทั้งหลายสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังและก็พร้อมกันกระผมในฐานะที่เป็นรุ่นพี่พี่พี่ที่มองมองเห็นเหยืน่นโดยมากจะเป็น ดุ่ น, น้องๆเป็นสหธรรมิกเป็นสากยบุตรพุทธชินนรสคือเป็นลูกของพระพุทธเจ้าผมเนี่ยถ้าจะว่าไปคือเหมือนกับพี่มีอายุพันสมากกว่าแต่บางท่านอาจจะมีที่มีอายุพันสมากกว่าผมถ้าอยู่ที่นี่กับผมก็ขอกราบขอกราบคารวะที่มีอายุพันสมากกว่าพราเราจะไปพูดว่าน้อยพันสาทั้งหมด อย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะผมไม่ได้ลงไปถามว่าอายุพันามากน้อยแค่ไหนแต่มองมองด้วยสายตาของผมผมเห็นว่าพวกน้องๆทั้งหลายมีอายุพั น, น้อยกกว่าเพราะฉะนั้นผมขอเตือนในฐานะสหธรร ม, มิกรวบพี่ พ, พ, พี่น้องน้องที่รักกันมีความหวังดีต่อกันถ้าพวกเราไม่ตักเตือนไม่กล่าวไม่ว่าไม่ แนะนำกันแล้วใครจะเป็นผู้แนะนําเพราะฉะนั้นกับผมเองเห็นพวกน้องๆเข้ามาในงานที่ไรผมก็ปลื้มใจในสหธรรมเนพวกเราให้เป็นฝึกแผ่นกันให้มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันถ้าพวกเรามีความพร้อมเพียงสามัคคีกันแล้วทําอะไรก็ประสบความสําเร็จทั้งนั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ ท่านว่าอภิริหาริยธรรมทำเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญไม่เป็นไปเพื่อความเสื่อมเรียกอภิริหานิยธรรมมีอยู่เจ็ดประกาศมันประชุมกันเนือนิดเมื่อประชุมพร้อมกันประชุมเมื่อเลิกประชุมพร้อมกันเลิกอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ข้อสุดท้ายว่าเมื่อยังไม่มาส่วอาวัชขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขในอภิริหานิยธรรมเจ็ข้อเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือ ความพร้อมเพียงสมัคีของคณะสงฆ์หรือหมู่พวกเพื่อนเป็นหนึ่งหรือว่ามีความผาสุกถ้าว่ามีความพร้อมเพียงสมัคีกันเพราะด้านการที่จะมีความพร้อมเพียงสมัคีกันนั้นต้องทิดคิดคือความเห็ น, นส่วนหนึ่งและก็พร้อมกันก็มีการสงเคราะห์อนุเคราะห์กายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมแล้วก็มีความเห็นมีศีลบริสุทธิ์เสมอกัน นี่แหละอันนี้สิ่งเหล่านี้ก็ขอฝากไว้กับพวกเราท่านทั้งหลายโลกทุกวันนี้มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามามากอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นห่วงพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ดวงตาท่านเตือนแล้วเตือนอีกท่านว่าโลกสมัยทุกวันนี้มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามามากเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายแต่ถึงยังไงก็ให้ยึดรมคําสอนของ ตพุทธเจาายึดหลักพระ ธ, ธรรมวินัยให้เข้มวดกวดขันเราจะเราจะไปเดินตามโลกวัฏสงสารจนเกินไปเพราะสิ่งไหนที่มันไปโลกจนเกินไปก็ทำให้จิตใจพวกเราถะเลถะถลเเลออกไปสู่โลกโลกนั้นมีอะไรมีแต่ความทุกข์นั่นแะที่จะตามเข้ามาแต่ถ้าพวกเรา การกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบฉบับแล้วพวกเราจะเดินตามแนวแถวธรรมะสิ่งไหนที่มันไม่ถูกตา ม, มหลักธรรมวินัยเราก็อย่าทำอย่างบางยุคบางองค์ที่พวกเราจะยินตามสื่อต่างๆถึงจะเป็นฝ่ายไหนก็เถอะก็เป็นป้าผ้ากาสาวพัดของพระพุทธเจ้า แต่พวกเราได้ยินแล้วเห็นแล้วพวกเรายังไม่สบายใจเพราะเหตุใดเพราะสือ่อต่างๆเขาประโคมข่าวออกมาว่าพระไม่ดีอย่างนนพระไม่ดีอย่างนี้แต่ตามไม่จริงมันก็ไม่ดีอย่างที่เขาว่าจริงๆบางครั้งแต่ถ้าเราทำใจให้เป็นธรรมผู้ที่อยู่ภายนอกหรือว่าสื่อต่างๆทำใจให้เป็นธรรมแล้วก็มาพูดออกมาคนทุกหมู่ทุกเหล่า มันมีดีมีชั่วเดียวกันทั้งนั้นเพราะว่าพระสงฆ์ที่มาที่พระมาบวชในพระพุทธศาสนาก็ไม่ใช่เอาพระหรหันต์มาบวชเอาผูุ้ชนคนสามัญชนทั้งหลายเข้ามาบวชพอเข้ามาบวชแล้วก็ไม่ฝึกหัดดัดนิสัยจัน้จุดที่แหละจุดที่ผมจะบอกกล่าวให้แก่พวกเราที่เป็นน้องนุ่งทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยเป็นสากะะบุตร พุทธชินโนรถคือลูกของพระพุทธเจ้าให้สั้มภูมให้ระวังสิ่งไหนที่มันไม่ถูกอย่าทำถ้าทำไปแล้วกระทำให้เสียหายเสียหายวงการพระพุทธศาสนาเพราะเหตุใดเพราะว่าเราทำไม่ถูกต้องตามหลักธรรมบีนัยแต่ว่ากว่นหน้าตำาหน่ผู้ที่ปักปั้จนเกินไปคล้ายๆกับว่า เพบพระศาสนานี่ยสอนคนให้ช่วยช้าเสียหายในลักษณะอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงคนที่ทำผิดนี่คือทำผิดแต่ว่าพวกเราควรจะคิดแยกแยะให้ออกว่าถ้าว่าทำตามหลักพระธรรมวินัยขึ้นมานั้นก็ไม่มีปัญหาแต่นี้คนที่เข้ามาบวชนั้นบางคนก็เป็นคนที่ ไม่ไม่บวชด้วยเจตนาที่ดีเป็นคน อ, ออกนอกรูกนอกทางเมื่อเป็นฆราวาดกับพ่อแม่พี่น้องเอาไม่อยู่เคำว่าเอาไม่อยู่คำนี้พวกเราก็คงจะคิดได้ปะขนาดไหนจากนั้นก็พักเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาพอพักเข้ามาบวชแล้วก็ไม่ได้เข้ามาเพื่อจะฝึกหัดดัดนิสัยก็เอานิชัยฆราวาสมาใช้ เมื่อเอาพระวาวัมาใช้ก็ออกนอกรูกนอกทางพอนอกนอกนอกรูกนอกทางแล้วสิพวกเราจะประนามใครประนามพระพุทธศาสนาประนามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นใช่ไหมหรือว่าประนามคนผู้กระทําผิดถ้าผู้กระทําผิดนี่แหละต้องช่วยกันแล้วก็ประนามหรือก็ บ, บอกกล่าวกันถึงพ่อแม่พี่น้องถ้าคนไหนก็ตามถ้าว่าดูแล้ว ชักจะไม่ไหวถ้าเอาเข้ามาบวชในพุทธาศาสนาแล้วจะเสียหายอย่างนี้กับพ่อแม่พี่น้องก็ควรจะกันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วก็เป็นผู้ให้พวกเราทั้งฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาพิษุสมัมเนนก็ให้ช่วยกันตรวจตราดูว่าพระพุทธาศาสนาของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับน้ำที่ใสบริสุทธิ์น้าสะอาดแต่พวกเราเอาคนเข้ามา แต่คนเกเลเขามาหลือเอาพระมาบวชในพระพทธาศาสนาไม่อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินยัยก็จะทําให้พระธรรมวินัยมัวหมองทําให้เสียหายขึ้นได้ไง่ายๆเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านสอดส่องดูแลคณะสิทธิอนุสิทธิของตนเองผู้เที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องก็พยายามแนะนําสั่งสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาหรือพระเนนที่อยู่ใต้ในการปกครองของเราให้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัย ถ้าว่าพวกเราช่วยการตรวจตราผมว่าพระธรรมวินัยของพุทธเจ้าจะเป็นน้ําใสสะอาดเป็นที่ยอมรับของพวกเราพุทธบริษัทสี่ทุกหน่วยทุกห ม, กหมู่ทุกเหล่าคณะสัทยาญาิโยมผู้ที่จะมาทําบุญทําทานก็ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจหวังบุญหวังกุศลกับพระผู้ทรงศิลพระที่มีศิลอันบริสุทธิ์บุญกุศลนั่นก็จะเป็น การทําบุญทําทานกับพระสงฆ์ผู้พิสูธิ์นั้นจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยบริบูรณ์แต่ถ้าว่าพวกเราที่เป็นพระสงฆ์ขนาดตัวเองก็ยังกราบตัวเองยังไม่ลงยังกราบตัวเองก็ยังขยะขยงเงิถ้าข้าพเจ้าทํำอย่างนี้เนี่ยข้าพเจ้ากราบข้าพเจ้าไม่ลงแต่ผู้อื่นทําอย่างนี้ข้าพเจ้าจะกราบเขาได้ไหมกราบไม่ได้แต่ว่าข้าพเจ้าไปทำเชื่เองเน่ยข้าพเจ้าจะกราบ เข้าไปเจ้าได้ไหมคณะตัวเองก็ยังกราบตัวเองไม่ลงแล้จะให้คนอื่นกราบเราได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้อฝากไว้กับน้องนุ่งทั้งหลายนะให้ดูให้ดูพวกเราดูลูกหลานของพวกเราให้อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยแต่ว่าพวกเราเป็นผู้ทรงสิงเป็นผู้มีศีลธรรมอยู่ในหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสากยบุตรสากยบุตรที่แท้จริงแล้วเหมือนกับเนื้อนาบุญ ถ้าคณะชาญ า, า, า, าติโยมวานพืชลงไปเหมือนกันหนาเนื้อนาที่ดีไม่ท่วมไม่แรงอย่างน้อยเป็นพระที่มีสิทถ้าเขาทำบุญเข้าไปแล้วก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยงอกเลยขึ้นมาเพราะอเนกสงในการทำบุญทำทานกับพระผู้มีสิทจากนั้นถ้าว่ามากกว่านั้นก็เป็นพระที่ทรงสมาธิหรือว่าเป็นพระที่สมบูรณ์ด้วยสติปัญญา ตลอดถึงท่านผู้บริสุทธิ์ุดพนบุญนานทิสงที่ทาบุญทำทานก็จะเป็นท ว, วีคูณขึ้นไปมากๆเ่เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราผู้อยู่ข้างในก็เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจในเรื่องของศีลธรรมเรื่องศีลศีลสรีิบของพระเนี่ยนะอันนี้ก็ขอเตือนบอกกล่าวนานๆผมจะได้เห็นหมู่พกเพื่อนน้องลงุงทั้งหลายมากถึงขนาดนี้เนี่ยอย่างที่ว่า น, น่นะผมก็อยู่ป่าดงพงภัย นานๆจะได้โผลเข้ามามาเห็นหมูพวกเพื่อนการเตือนทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่เตือนแต่พวกเราท่านทั้ทงหลายนะเตือนทั้งหลวงพ่อด้วยแต่หลวงพ่อที่เทศเนี่ยหลวงพ่อก็จะพยายามทําดีที่สุดในเมื่อเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อจะทําตนให้ดีไม่ให้ครูบาอาจารย์ตำหนิในเมื่อเป็นครูบาอาจารย์ก็จะพยายามทําตนให้ดีที่สุดในเมื่อทําหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์ เพราะฉะนั้นขอให้พวกน้องนุ่งทั้งหลายให้เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจและก็พร้อมกันครวาตญาติโยมก็เช่นเดียวกันครวาตญาตโยมเราเป็นครวาตเป็นนาเป็นขราชการอย่างเป็นขราชการอย่างนี้เอาสอนบอกกล่าวถึงขราชการสะก่อนขราชการผู้ทํางานกินภาษีพี่น้องประชาชนเราต้อง ทำจิตใจให้บริสุทธิกับหน้าที่ของตนเองอย่าไปคดอย่าไปโกงอย่าไปคอรับชั้นไปร่ำเวลาทำหน้าที่ให้ตรงถูกต้องตามกฎกติกาที่ได้เป็นรัฐการทุกหน่วยทุกหมู่ทุกเรลาแต่ถ้าว่าพวกเราทำไม่ถูกต้องให้พวกเราถามตนเองด้วยซิว่าข้าพเจ้าทำงานอย่างนี้ถ้าว่าเป็นเงินของข้าพเจ้า ข้าไปเจ้าจะกล้าจ้างเราไหมถ้าเราทำงานอย่างนี้อันนี้ก็พยายามถามตนเองอยู่เสมอแล้ถ้าเราเออเราทำงานขนาดนี้เราก้าจ้างเราแน่แปลว่าเราทำงานเต็มที่ตำหนิตัวเองไม่ได้แต่ถ้าว่าพวกเราตาหนีตัวเองได้อยู่มีแต่อยากจะได้เงินเดือนสูงแต่ว่าการทำงานของตนเองนั้นขาดปกป่องด้วยถ้าเป็นเงินของข้าไปเจ้า ทำงานอย่างข้าพเจ้าทำํำข้าพเจ้าคงไม่กล้าจ้างแน่ๆอันนี้จะแปลว่าเราทํางานขาดตกบกห้องแล้วคณะค ณ, ณะสัตายาย่าโจมก็เหมือนกันคณะสัตายาย่าโยมทุกหมู่ทุกเหล่าให้เราตรวจตราดูว่าเราเป็นพุทธมาม ก, กะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราทําคุณงามความดีเราทําเต็มที่หรือยังทําถูกต้องหรือยัง ตามหลักพระธรรมคาสอนที่พระพุทธเจ้าว่าเรามีศีลท่าหรื อ, อยังเรามีทานมีศีลมีภาวนาหรื อ, อยังสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้พวกเราถามตนเองแต่ว่าพวกเราไม่ถามตนเองแล้วใครจะเป็นมาเป็นผู้มาถามเราถ้าคนอื่นมาถามเราเราก็จะโกรธให้เขาแต่ถ้าว่าพวกเราถามตนเองแล้วนั่นแหละเทเนเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขการกระทำของพวกเรา เพราะว่าในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วตายแล้วไม่สูญ น, นะตายแล้วเกิดอีกเออทำไมจึงยืนทําไมจึงหลวงพ่อจึงได้พูดอย่างนั้นเพราะหลักของพระพุทธศาสนาในพระพุทธเจ้าที่ท่านที่พระ อ, องค์ทรงไปทรงผนวดนะั่นน่ะเออที่ไปทรงผนวดนะพระ อ, องค์เป็นพระมหากษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินกรุงกบินละพัดอายุยี่สิบเก้าปีท่านเห็นอะไรท่านจึงหนีไปบวชแต่ถ้าไม่จริง ถ้าว่าพวกเราได้ศึกษาดูแล้วถ้าว่าท่านไม่เห็นอะไรสตุดใจอย่างมากๆเนี่ยท่านคงไม่บวชแน่ๆเพราะว่าโลกเนี่ยมีแต่ความ ส, สุขสบายแล้วท่านจะเป็นหนีออกไปอยู่ปา่าดงถงไอย่างไรอันนี้ท่านคงจะเห็นในความรู้สึกของพระองค์อย่างมากพระอกอย่างได้หนีจากเวียงเบนสลัดเบียงเบนออกไปสู่ปา่าไปอยู่ตามลำพังไปเพื่อไปค้นคว้าศึกษา หาหนทางแต่ทำยังไงติ๋งจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะสิ่งที่ว่าแก่เจ็บตายเ น, นีไม่ใช่ของเล็กน้อยเป็นของที่จะทอนใจอย่างมากในเมื่อพ ร, พระองค์ได้เห็นความแก่ความเจ็บความตายแต่เราอยู่ในเวียงหวังเราคงไม่สามารถที่จะค้นคว้าศึกษาหรือว่าหาแนวทางได้เพราะว่าภารกิจธุรกิจของเราที่จะต้องบริหารประเทศชาติบ้านเมือง น, นั้นมีมาก เพนั้นเราจะบริหารจะมาคิดในขณะที่บริหารประเทศชาติแล้วจะมาคิดในเรื่องหาทางจะไม่มาเปลี่ยนไหวตายเกิดเนี่ยคงไม่คงหาไม่เจอเพราะอะไรเพราะภาระมากมีทางเดียวเท่านั้นเราจะต้องเสียสลักไปอยู่ในป่าโรงพงไผ่อันนี้เต่พระพุทธองค์ท่านมีพุทธประสงค์อย่างนั้นจากนั้นพระองค์จึงได้หนีออกจากเวียงหวัง อยู่ตามลำพังไปค้นคว้าศึกษาอยู่เป็นเวลาถึงหกปีนี่แหละไปค้นคว้าศึกษาลองผิดลองถูกรองถูกลองผิดผลที่สุดก็วันที่ประสบความสําเร็จคือวันเดือนหกเ่นที่พระพุทธเจ้าได้ศีลธรานได้ประสบความสําเร็จวันนั้นพระ อ, องค์พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินพระ อ, องค์นั่ง นายโสธิยะดำนําติคาเข้ามาถวายพนนญาคาเข้ามาผ่านมาก็เห็นจิตถัทธะนั่งอยู่ตามลําพังนายโสธิยะเขนําติคาเข้ามาถวายแปดกำมือพอมาถวายพระองค์ก็ได้รับญาคาจากนายโสธิยะแล้วก็มาเกลีย์อยู่ที่ตรงที่โขนต้นโพจากนั้นก็พอเกลีย์เสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ขึ้นไปนั่งบนญาคาแปดกำมือนั้น หันหน้าคือหันพระพักไปทางทิศตะวันออกจากนั้นก็ขานั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงจากนั้นพระองค์ก็ดํารงสติเฉพาะหน้าคือกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกนี่แหละให้คณะจัตไ ท, ทายญาติโยมหมู่ พวสหธรมมิตรทั้งหลายให้มั่นใจว่า น, นี่กรรมฐานของพระพุทธเจ้าคือกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจออกสั้นยาวให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นนี่แหละคือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าในวันเดือน6กเพ็ญในวันนั้นแต่นี้พอพระองค์นั่งคัจจมาธิตอนหัวค่ําพระอาทิตย์ยังไม่ตกดิน พระที่จะมาแอดสตองจิตขององษ์รวมเข้าสู่ความสงบจิตรวมเข้ามาเป็นหนึ่งคือจิตไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตแต่ว่าก่อนที่จะรวมลงเป็นหนึ่งนั้นท่านคงบอกว่ า, วามีพยามารมาลบวนมากมายคือนางตัญหาราคาอารดีแล้วก็มีพยามารมาลบปวดถ้าเราเปรียบเทียบหรือว่าเรามาพิจารณาส่วนหนึ่งก็คือ ปัญหาราคาราดีตนั่นคืออะไรก็คือกิเลสราคาโทสะโมหะไอ้ที่พยาบาลนั่นก็คือกิเลสโทสะไอพระองค์นึกคิดไปในอดีตก็คงจะมีสิ่งเหล่านี้ทามารบปวนพระไทยของพระองค์เพราะฉะนั้นจึงถึงจะถือว่าเป็นพยาบาลก็ก็ใช่เพราะเป็นเครื่องขัดขวางทําให้จิตใจของพระองค์ไม่ก้าวหน้าไอ้พระรำให้พระองค์สารวจนวุ่นวายกับ เรื่องการเป็นอยู่คือเรื่องกิเลสราคาโทสะโมหะในพระไทยของพระองค์จากนั้นพระองค์ก็ตั้งจิดอธิษฐานแน่วแน่ที่ว่านางแม่ธรณีปิดมุ้ยผมลงไปสู่แผ่นดินคือความเอาน้ําพระไทยน้ําใจขององค์และลึกถึงบุญกุศลที่บําเพ็ญมาในอดีตชาติด้วยบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงข้าพเจ้าจะตตัดใจโดยเด็ดขาด จะไม่คิดถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาข้าพเจ้าจะไม่กลับหลังไม่ถอยหลังโดยเด็ดขาดคงคงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นพระองค์ได้ตัดจีนปะไทยโดยเด็ดขาดจึงชนะจึงเป็นผู้ชนะพยา ม, มานานางรันการหาราคาอรดีโดยเด็ดขาดจากนั้นพระองค์ก็กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออก เมื่อจิตเมื่อกำหนดลมหายใจเข้าออกแคนี้ไม่มีอะไรเข้ามารบกวนพระไทยขององค์ใจขององค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตสงบรวมเป็นหนึ่งแล้วพระองค์น้อมจิตที่พระองค์ที่จิตพระองค์วมเป็นหนึ่งนะั้นน้อมพระไทยน้อมใจขององค์ระลึกชาติโถนหลักแจ้งว่าปุเพนวาส า, านุสติญาณเพราะนั้นพวกเราคณะทาญาทโยมทุกๆ ท, ท่าน ให้นึกให้ระลึกได้เลยว่าตายแล้วไม่สูงถ้าว่าตายแล้วศูญย์จะระลึกชาติหลหลังได้อย่างไรนี่แหละหลักของพุทธศาสนายืนยันเนะนะยืนยันในหลักพุธทธะปุเพในวาสานุจติญาระลึกชาติผลหลังได้พอถึงเที่ยงคืนกัจจุปปาทยานการจุติคือการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายมาจากที่ไหนมาที่ไีนออกจากที่ไหนไปที่ไหนมาเพราะอะไรไปเพราะอะไร ถ้ามาเกิดมาพบในชาตินี้หูหนวกตาบอดบ้าใบ้เสียจิตผิดปกติของมนุษย์พระองค์บอกว่าอดีตในอดีตชาติของเขาเขาทํากรรมไม่ดีเอาไว้เขาจะมาเกิดในสถานที่อย่างนี้เขาเป็นอยู่อย่างนี้แต่คนปกติดีโปดปกติแต่ทํากรรมชั่วในชาตินี้อย่ากพระเทวทัตอย่างนี้ยกตัวอย่างอย่างใกล้ๆ พระพุทธองค์ก็ทํานายไปเลยว่าพระเทวทัตตกไปนะตรงไปตกอเวจีมหานรกมีความทุกข์ทรมานอย่างนั้นอย่างนั้น อ, อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเขาทํากรรมชั่วไว้ในปัจจุบันนี่แหละพระพุทธองค์ท่านบอกว่าสรรพสัตว์ ท, ทั้งหลายเป็นไปด้วยกลัมกรรมคือการกระทําถ้าทําดีแล้วได้ดีทําชั่วแล้วได้ชั่วเพราะฉะนั้น จตูปะ ป, ะปาตยานคํานี้เนี่ยคือการจุติีเรื่องการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นไปด้วยกรรมถ้ากรรมทํากรรมดีแล้วกรรมดีจะพาไปสู่ความสุขความเจริญถ้าทํากรรมชั่วแล้วกรรมชั่วนั้นจะพาไปสู่ทุกขติเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้ตรัสเอาไว้ว่าอัคตังดุกตังเซโยปัจชาตปฏิ ด, ดุกตังกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้น จะต้องให้ผลเป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นให้พวกเราเชื่อในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าตายแล้วไม่สูญถ้าเราทำกรรมดีกรรมดีจะตามสนองถ้าทำกรรมชั่วกรรมชั่วจ ะ, จะตามสนองพวกเราจากนั้นพอถึงพอจวนจะสว่างพระ อ, องค์กำหนดพระทัยของพระองค์จนแนวนี่ท่านก็เห็นว่าใจตรงนี้เกิดมาจากไหน มาอย่างไรจึงมาบกพลเวียนไม่มีที่จบที่สิ้นอย่างนี้พาะ อ, องค์ก็เห็นว่าเออมาจากตัววิชาคือตัวความโงท่ท่านใช้มักแปดที่คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปร์มัเป็นเป็นเครื่องเดินเป็นเครื่องพินิจวิเคราะห์เป็นเครื่องนำประพุทธปฏิบัติที่จะเอาตัดมรรคนิพพานแต่ท่านกำหนดดูพระไทยของโปพระไท่ของโปด้วยมักแปท่านกล ตามดูแล้วพิจารณาใไขควรพบขวนดูแล้วว่าใจตรงนี้มาจากไหนท่านก็บอกว่ามาจากอวิชชาอวิชชาปัจจญาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปัจจญาวิญญาณนะจนถึงโศกบาลีเทวทุกขโทมณ ส, สุทุกโศกร้องไห้พิไรรำพันทั้งหลายทั้งปวงนั้นมาจากตัวอวิชชาตัวเดียวเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นพระ อ, องค์จึงได้ใช้กรรมธรรมคือศีลสมาธิปัญญาการกรองไตรตรองเหตุและผล ผลในสุดพระ อ, องค์ก็เอาพระไทยของพระ อ, องค์เกิดความเบื่อหน่ายคลายจากนั้นก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมกิเลสราคะโทสะโมหะทั้งหลายไม่สามารถที่จะอยู่ในพระไทยของพระ อ, องค์ได้พระ อ, องค์เขาประกาศได้เลยว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่เกิดอีกแล้วอันนี้คือวิถีของพุทธ ทได้มาพูดถึงเกี่ยวกับแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราทีนี้อย่างหลวงปู่มั่นที่เป็นต้นตระกูลของพระกรรมฐานในยุคปัจจุบันที่พวกเราได้ศึกษาธรรมะทั้งหลายทั้งปัวนออกมาจากหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาจากนั้นกัพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราหลวงปู่ขาวหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่อ่อนหลวงตามหาบัวหลวงปู่ลาหลวงปู่ต่างๆที่พวกเรา รักเคารพนับถือได้ศึกษาธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ล้นแล้วจะเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เสาหลวงปู่มัน่นทั้งนั้นในยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นท่านศึกท่านสอนอย่างไรกับพระศิษยานุศิษย์เหล่านั้นแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนพวกเราอย่างไรนี่แหละอันนี้ก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษาเออเหมือนกันหลวงปู่มัน่นท่านบอกว่า วิธีการปฏิบัติของท่านท่านบอกว่าให้มีสติตัวสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นคุณแจดอกสำคัญเป็นด่านแรกจะต้องมีสติสัมปชัญญะถ้าหาคนเราทัาษะสติแล้วแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างหมดไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นเป็นชิ้นเป็นอันที่จะเกิดเป็นคุณงามความดีขึ้นมาได้เพราะนั้นเรื่องสตินี่เป็นสิ่งที่จาเป็นสาคัญ อย่างองหลวงตามหาบัวก็เหมือนกันแต่ก่อน ok ท่านบอกว่าท่านภาวนาท่านกำหนดแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกท่านบอกว่าไม่ไม่พอท่านที่กาหนดลมหายใจเข้าออกบริกรรมว่าพดหายใจออกบริกรรมว่าโธหายใจเข้าพใหายใจออกโธให้บริกรรมพดโธด้วยอันนี้ก็คือกรรมฐานของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นตรว่าให้บริกรรมด้วยให้บริกรรมพดโทด้วย ถ้าเราไม่บริกรรมมีแต่กาหนดลมหายใจเข้าออกเฉยๆมันรู้สึกมันชั้นเกินไปเดี๋ยวมันก็หายสับปัดไปหายสับปัดมาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นท่านจึงให้กําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าถูกเวลาเราเดินจงกรมก็เหมือนกันเวลาเราเดินขาขวาพุทธขาซ้ายถูกวิธีการเดินจงกรมคือ ในพระหลว ง, งปู่มันแต่พิธีการเดินจงกรมถ้าว่าพวกเราไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาแนวแถวของหลวงปู่มัน่นอันนี้หลวงพ่อหลวงปู่ล่าท่านบอกว่าหลวงปู่มัน่นท่านสอนนะพิธีการเดินจงกรมนะ่ยอย่าเอามือควายหลังนี่ยอย่าเอามือควายหลังถ้าเอามือควายหลังนะ่ะเหมือนกับท่านนักเลงเออขาดความเคารพอย่าเอามือกอดอกเหมือนกับเหมือนกับเราปีทุก เนเจ้าทุกข์หุดระชมทุกข์ในใจถ้าเราไกวแขนแสดงอาการไม่เคารพถ้าเราเอามือประสานไว้ข้างหน้าไว้ที่ท้องนะ่ยเอามือประสานกันเ อ, เอามือขวาแล้วก็ซับมือท้ายมือซ้ายาจากนั้นแหละ น, นี่แหะคืออาการท่าลำพึงท่าเคารพในพวกเราให้ฟังเอาไว้นะนี่แนละคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอน สอนพวกเราท่านทั้งหลายจากนั้นก็เรากําหนดเส้นทางจะเส้นทางนั้นยาวขนาดไหนหลวงปู่มั่นรุ่หลวงปูลงป่ล่าครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าประมาณไม่ไม่น่าจะเกิน39มส้าและก็ไม่น่าจะต่ํากว่า29ทางเดิอนอยิงกงแต่หันหน้าไปทางไหนท่านบอกว่าถ้าเป็นไปได้ให้หันหน้าไปทางตะวันออกะตะวันตกหรือทิศเหนือหรือทิศใต้ท่าว่าพอจะเลือกได้ ถ้าถ้าเลือกไม่ได้ทางไหนก็ได้เดินไปเลยเดินภาวนาเราไม่ต้องคิดถึงคิดถึงทางแต่ถ้าเลือกได้นะให้เลือกทางทิศตะวันออตะวันออกและตะวันตกทิศเหนือและทิศใต้อันนี้ที่ท่านท่านบอกเอาไว้จากนั้นเวลากําหนดทางจงกรงเป็นที่ราบเรียบแล้วท่านบอกว่าให้ลุงผู้ลาท่านบอกให้นใหปนมือซะก่อนอันนี้อัรมาภาพหรือหลวงพ่อเนี่ย เห็น ล, ลุงปู่ลาเดินเยีงกงเวลาท่านจะเดินท่านจะประนมมือขึ้นจะก่อดเออปะนมมือแล้วถามว่า ล, ลุงปู่ทําไงวิธีเดินเวลาเดิยีก ง, งท่านบอกให้ปนนมปรนนมมือคือไห ว, ว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซะก่อนอันนั้นคือบ่อลง ม, มะครูที่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติมานี้เพราะบ่อลง ม, มะครูคือพระพทุทธเจ้าเป็นผู้แนะนําเป็นผู้บอกกล่าวเพราะนั้นเราก่อนที่จะทํา สมาธิเนี่ยเราต้องน้อมลึกถึงบรมครูของเราซะก่อนคือพระพโพธิเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบจากนั้นคอยเอามือลงพอเอามือลงเสร็จแล้วก็เราก็เดินรอบรอบแรกหรือสามรอบแรกนะวะข้าพรเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขคือแผ่เมตตาซะก่อนคือแผ่เมตตาคํานี้ทำให้จิตใจของเรา ไม่ผูกพยาบาทอาคาตโมโหโกธาให้แก่ใครมาก่อนเราจะปล่อยวางทั้งหมดเราจะไม่โกรธให้แก่ใครใครข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงไป็สุขผู้อื่นจงเป็สุขข้าพเจ้าจงเป็นสุขคือแผ่เมตตาเอเราต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไรโลกธาตุก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาคือในใจของเรา จากนั้นจะค่อยภาวนาพุทธโธพุทธโธขากว่าพุทธขาซ้ายโถแต่ยุคนี้สมัยนี้หลวงพ่อนึกผมเองหรืออาจจะมาภาพได้ยินว่าโอ้ทำไมจึงเอาพุทธโถมาลงที่ฝ่าเท้ามาเหยียบพุทธโทรทรมโมสังโผลเอาของสูงมาเหยียบย่าไม่น่าจะถูกแต่อมาภาพให้แนวความคิดว่าหลวงปู่มัน่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านคิดดีแล้ว ทำไมจะว่าคิดดีแล้วใครเป็นผู้ให้ความหมายว่าศีรษะสูงหรือเท้าต่ําใครเป็นคนคิดใครเป็นคนกําหนดหรือวใครเป็นคุณอุปโลกว่าหัวศีรษะสูงเท้าต่ําใครเป็นคนสมมุติขึ้นก็ต้องใจใจเป็นผู้สมมุติขึ้นว่าหัวศีรษะในสูงเท้าต่ํา แต่ศีสระมันก็ไม่ได้ว่ามันสูงหรือมันต่ําเท้าก็เหมือนกันไม่ได้เท้าก็ไม่ได้บอกว่าเท้าต่ําหรือเท้าสูงมันไม่ได้บอกแต่ว่าเราทัวเองเป็นคนบอกว่าเท้าต่ําหัวสูงเพราะนั้นเราจะไปคิดเได้ว่ามันเท้าต่ําหัวสูงมันเสมอกันทั้งหมดในร่างกายคือสําคัญด้วยกันทั้งหมดแต่ถ้าว่าเราคิดว่าตัหัวสูงอย่างเดียวเท้าต่ําตัดเท้าทิ้งไปสิตัดขาทิ้งไปตัดเท้าทิ้งไปหัวมันจะเดินได้หรือ มันเดินไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะมันก็มาใส่เท้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเท้ากับหัวต้องมีส่วนเสมอกันมีความสําคัญเสมอกันเพราะฉะนั้นเราจะเอาเท้าเดินก็าตามเท้าเดี๋ยวจะไปคิดว่าตา่ําถือว่าเสมอกันทั้งหมดในร่างกายไม่ว่าส่วนไหนนี่แหละพวกเราอย่าไปเพียงของเท่านั้นจะไหมอย่าให้มันมาขวางจิตใจของพวกเราถ้าพวกเราคิดอย่างนั้นเหมืนก็เป็นตอ แล้วเป็นสิ่งที่กัดกลางทางด้านจิตใจของเราเราจะภาวนาที่ไห่มันก็จะดดดกึกทันทีเอ๊ะมันถูกต้องหรือเปล่าว ะ, เ, ะเราจะภาวนาเหยียบพุโทโธเด็กอย่างนี้เป็นต้นเนะพราะฉนั้นขอให้พวกเรานึกว่าใครว่าวะศีสัตว์ต่ำเทา้ทาเออเท้าต่ําเอ า, าว่าเท้าสูงก็แล้วกันเนี่ยเล่าของยุกใส่ให้สูงก็แล้วกันถ้าไม่มีเทา้าข้าพเจ้าเอไปไม่รอดไปที่ไหนไม่ได้เนี่ยแหละ อันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกๆท่านนะอย่าเป็นอุปสรรคในการภาวนาจากนั้นขาขวาพุทข า, ข า, ขาซ้ายโถพุทโถพุทโถเดินนานเท่าไหร่นานเท่าที่จะนานได้เห็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบางทีท่านเดินเป็นหลายๆายชัว่วโมงบางคนก็ถูกจริตในการเดินพอนั่งภาวนามันงอกมันง่วงท่านก็ให้เดินแต่บางคนก็เดินเดินแล้วก็มานั่งได้ทั้งสองอย่างคือทั้งนั่งทั้งเดินด้วย เวลานั่งทำยังไงเวลานั่งคันนเราก็หาถ้าเรานั่งอยู่โคนต้นไม้เราก็หัน ห, หลังพิงต้นไม้ถ้าเราอยู่ในถ้าเราก็หัน ห, หลังพิงผนังถ้าถ้าอยู่ในกุฏิเราก็นั่งกลางที่นอนของเรากรหันหน้าไปทางศีรษะที่หมอนที่เราจะนอนแต่นี้ก็ไม่ทั่วไปอันนี้ผมขอแนะนำเป็นส่วนตัวอีกว่า การนั่งภานาในกุฏิของเราเนี่ยจะเป็นนั่งท่าเดียวไม่ได้วันหนึ่งเรานั่งอาจจะขยับไปพิงขวาข้างหนึ่งไปวันหนึ่งอาจจะออกมานั่งข้างนอกวันหนึ่งอาจจะนั่งอีกมุมหนึ่งในกุฏิของเราในการนั่งอย่างนั้นน่ะมันเปลี่ยนการเป็นเป็นการเปลี่ยน อ, อริยบทหรือเปลี่ยนทิศทางก็ทำให้จิตใจของเรา เ, เปลี่ยนไปได้เหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านทดลองดูนะที่ผม แ่พูดเรียว่าอาตมาผู้ภาพได้พูดให้แจกพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังวิธีการปฏิบัติอันนี้คือคือการนั่งภาวนาก่อนที่จะนั่งกับขาขวาทับขาซ้ายอย่างที่ว่านมือขวาแล้วก็ปนมมือซะก่อนนั่งประนมือไหว้ครูซะก่อนพุโทโธธัมโมสังโฆพุโทโธธัมโมสังโฆพุโทโธธัมโมสังโฆสามจบจากนั้นก็เอามือลงจากนั้นก็หายใจเข้าพุ่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 แต่บางคนบอกว่ม เ, ออเคยกำหนดมาแล้วแต่มันไม่ไม่รู้ว่าลมกระทบที่ไหนถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเราหายใจแรงๆสูบลมสูด ล, ลมหายใจแรงๆเข้าไปในจมูกของเราแล้วก็กระแทกลมหายใจแรงๆออกมาหายใจจะเข้าสักครั้งสองสามสี่ครั้งเราจะรู้ได้ว่าลมลมนั้นกระทบที่ไหนถ้าลมกระทบที่ปลายจมูกเราก็เอาจะติจับอยู่ตรงนั้นแนะตรงที่ปลายจมูกนะั่น เวลาหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมว่าโกแต่มันยังไม่อยู่นะหลวงพอ่อมันยังมีช่องว่างที่จะออกไปอยูนะ่บางทีมันอาจจะไม่ถูกกับจิตของเราทดลองภาวนาอีกทกให้ภาวนากับโรลให้เอาใจของเราเนี่ยบริกรรมไเเอาใจของเราบริกรรมพุโทโถพุโทโถพุโทโถพุโทโถพุทธโถแต่อย่าไปเกลื่ออย่าไปแพ่งมันมากนะเพียงแต่ว่าให้มีสติ เวลาบริกรรมพุทโธพุทโธก็ให้อยู่สำทับอยู่ให้ใจของเราเป็นผู้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโคือไม่ให้มีช่องว่างให้มีให้ตั้งสติอย่างเข้มแข็งนะอย่าไปตั้งตั้งสติอ่อนนะให้ตั้งสติเข้มแข็งลักษณะบังคับในทางนั้นนะบังคับให้สติอยู่กับกรรมฐานพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยอันนี้ก็คืออันที่สองนะอันแรกก็คือบริกรรมลงกระทบ หายใจเข้าพุทธออกโถเหมือนเหมือนเรายืนอยู่ข้างประตูเวลาคนเข้ามาเราก็รู้เวลาคนออกไปเราก็รู้แต่ไม่ต้องตามลมเข้าไปและก็ไม่ตม้องไม่ต้องตามลม อ, ออกมาไปข้างนอกเหมือนกับเราอยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องของเราลักไม่ต้องตามลมออกไปข้างนอกเพียงแต่ว่าลมมากระทบเราก็บริกรรมว่าพุทธลมกระทบ ที่ปลายจมูกก็บริกรรมว่าโถพุทโถพุทโถแต่ทีนี้เรามองบริกรรหมดขณะที่มันยังออกได้อยู่เอาเราออกตัวผู้รู้รนะเอาตัวจิตกนะำหนดเลยจ้ะเนี่ยพุทธโถพุทโถพุทโถพุทธโถพุทโถอย่าให้มีช่องว่างอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งได้แต่หลวงพ่อขอแนะนําอีกส่วนหนึ่งก็คือเวลาหายใจใเข้าเรานับหนึ่งนะ่ะ ทดลองนับถึเพราะเราเคยเคยชำนิชำนาญในการนับอยู่แล้วอททั้งวีทั้งวันเราเคยนับมีแต่นับหนึ่งสองสามแต่ทีเราหายใจเข้าเรานับหนึ่งหายใจออกเรานับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสี่หายใจเข้านับห้าหายใออกนับหนับไปถึงร้อยมันเผลอไหมนี่มันเผลอไหมถ้ามันไม่เผลอแสดงว่าสติของเราเนี่ยใช้ได้นะดีที่เดียวนับถึงร้อยยังไม่เผลอ แต่ถ้ามันเผลอนะ่มันเผลอบ่อยไหมถ้ามันเผลอบ่อยอันนั้นไม่ดีเป็นเผอเผลอเข้าไปแล้วจะขาดสติจะเป็นบ้าด้ง่ายๆเพราะงั้นเถอะคนขาดสติไม่ใช่ของดีน ะ, เ, ะเพราะนั้นเวลาหายใจเข้าเนี่ยนับหนึ่งหายใจออกนับสองบางทีนับไปถึงสิบถึงมันเผลอแล้วอย่างเนี้ยแสดงว่าสติของเราขาดเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามตั้งสติให้เข้มแข็งขึ้นอีกจนถึงเอากาหนดตูวหายใจเข้าพุหายใจ ให้ใจเข้าหนึ่งให้ใจออกสองให้ใจเข้าสามให้ใจออกสี่ไปถึงร้อยแต่ถ้ามันถ้ามันจะขาดมันขาดยังไงหลวงพ่อเเวลามันจะขาดเนี่ยเวลาหายใจเข้ามันเป็นเลขที่ใช่ไหมล่ะเวลาหายใจออกมันเป็นเลขคู่ที่คู่ที่คู่ไปตลอดถึงร้อยเนี่ยเวลามันจะเผลอมันจะเบอเบอเบอร์นกว่าพอเบอร์เสร็จแล้วหายใจเข้าเนี่ยจะเป็นเลขสองหายใจออกเป็นเลขสามหายใจเข้าเนี่ยเป็น เลขสิบหายใจออกเป็นเลขสิบเอ็ดแย่างนีน้แต่งว่ามันมันเผลอแล้วนีมันเผลอแล้ ว, ลวต้องตั้งใหมใ่เพราะว่าหายใจเข้าเป็นเลขขี้หายใจออกเป็นเลขคนูะ่อันนี้เราจะเห็นได้ชัดนะในในการบริกรรมภาวนาทนะี่นี้เมื่อภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกหรือว่าพูดด้วยคำพูดโทหรืรอว่านับหนึ่งอย่างนี้เป็นเป็นต้นนะ และมันจะเป็นยังไงผลต่อไปอันนี้เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะในตัวของเราไม่เผลินนะ เ, เมื่อเราไม่เผลินทำจิตใจให้เป็นหนึ่งพยายามทำใจให้เป็นหนึ่งอันดับแรกพวกเราจะได้รับความสงบอสงบด่านแรกนี่ยบางคนก็มีหลายอย่าง เ, เหมือนกับอะไรตกเหวตกบอ่อเหมือนกับมีอะไรวูกวา่าในตัวของเราแต่เราอย่าไปสนใจ เพียงแต่มันเป็นยังไงมันก็เป็นไปได้ทั้งหมดเพราะจิตที่จะเข้าสู่ความสงบด้วยจิตเป็นสมาธินั้นมีหลายๆอย่างวิธีการแต่โดยมากท่านว่าคณิกาคณิกะสมาธิคือทำจิตใจเมื่อเราภาวนายึดกรรมฐานที่หนักแน่นลงไปแล้วจิตมันจะเย็นว่ามีมความสุขในชั่วงขณะหนึ่งประเดียวประดาวจิตเย็นสบายในช่วขณะนั้นเป็นจิตที่ว่า เพียงแต่ชั่วขณะเดียวเราก็จำไม่ลืมเลยนะมันมีความสุขผิดปกติกว่าจิตทั่วๆไปที่ผ่านผ่านมาจิตที่มันเข้าสู่สงบจุดนี้แหะคือจิตเย็นสบายมีความสุขอันนี้เรียาคณิกะสมาธิจิตรวมชั่วขณะหนึ่งจากนั้นก็มันออกไปแต่เมื่อเราออกจากสมาธิเราก็อยากจะให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นที่เราเลยทําไมจิตของเรามันเหมือนกับเคลิ้ม มันก็นเหมือนกันบซิบมันเหมือนเพล๋อๆอย่างไรแต่ก็ไม่ใช่นะทําไมมันมีความสุขเย็นลึกละเกินยแล้วทําไมมันเย็นมีความสุขละเกิด น, นี่แหละอันนี้เราว่าคติกะสมาธิมันเริ่มเกิดเรื่องเป็นสมาธิอะไรต้นนั่นเอนี่แหละพิธีการจากนั้นเราพยายามแต่เราจะไปใส่ใจทีนี้มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเราเอาใหม่เราจะไปคิดบอกมันจะเป็นหรือไม่เป็นเราไปต้องคิด เราตั้งต้นใหม่แต่ว่าข้อจำกันให้หาเหตุให้เพียงพอคือบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวนั้นะมันจะงบมันจะสงบหรือไม่สงบเราไปต้องคิดไม่ต้องคดองาดมันเองเออต่อไปใจของเราถ้าเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอยู่ใจของเราจะเข้าสู่ความสงบรวมลงเป็นเอารวมสงบละทีวรวมสงบคราวนี้นะ่ะคล้ายๆล้าปัจจิกับจิตเนี่ยมันไม่เผลอ เกิดเคล็ดเรื่องอะไรสติของเราจะควบคุมจิตของเราเราได้ยินเสียงแต่ว่าเราไม่ได้ส่งไปตามเสียงสติอยู่กับตัวเองควบคุมอยู่ตัวเองก่อขณะนี้เดี๋ยวนี้เราทําอะไรอยู่สติของสติมันมันจะควบคุมควบคุมจิตอยู่มันไม่เผลอนึกเคล็ดเรื่องอะไรก็รู้จะมันไม่ปุง๋งไม่ฟุ้งไม่ซ่านออกไปข้างนอก ดูมีสติอยู่ตลอดเวลาอันนี้เราว่าอุปจารสมาธิเอถ้าผู้ปฏิบัติแล้วจะรู้ได้ว่าจิตนี้คือจิตที่เป็นอุปจารสมาธิแต่นี้พอเราพยายามดูอีกดูใจของเราอีกอกำหนดดูใจให้สติเข้มแข็งดูอีกไม่ให้มันเผลอดูเอากหนดดูใจิตใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบมันจะลงเงียบถึงเออ จิตใจจะเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิคํานี้น่ะจิตใจของเราเนี่ยจะแม่งสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอะไรสติเป็นอันนั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเห็นได้ชัดเลยในจุดนั้นแล้วในเมื่อเมื่อสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมองกายเนี่ดูร่างกายกายนี่เป็นส่วนหนึ่งใจนี่เป็นส่วนหนึ่งเห็นได้ชัดอีกเหมือนกัน เหมือนกับน้ำกับน้ำมันอย่างนั้นรือว่าเหมือนไข่อยู่ในจานอย่างนั้นในจานไม่ใช่ไข่ไข่ไม่ใช่จานเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมเนี่แหละอันนี้คือจิตเป็นอัปปนาสมาธิเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญจิตที่เป็นอัปปนาสมาธินี่บอกบอกชัดแต่ชัดเจนเลยว่าตายแล้วไม่สูนร่างกายในตายสูนแน่ร่างกายในแต่ตายสลายแน่แต่ว่าจิตใจนั่นคือน้ำมาทำตรงนนี้จะไม่สูนเราจะเห็นชัดด้วยตนเอง เมื่อจิตเป็นอัปปนาสมาธิเออนี่แหละขอให้พวกเราพิสูจน์ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดด้วยตายและสูญไม่ต้องถามใครถามตนเองถ้าจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิแล้วนั้นเราจะรู้ได้แต่จิ ต, จตที่เป็นอุปจาระด้จิตคณิกานั้นเราจะเพียงแต่พักๆเท่านั้นเองอยังวนเละยังสงสัยอยู่ถ้าจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิแล้วเราหายสงสยัยเ อ, อเราไม่ เรากราบพระพุทธเจ้าอีกจังอ่ะโอ้พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไงท่านรู้อย่างไงท่านจึงได้นํำทำคำสอนมาแนะนํามาสอนพวกเราใจของเราได้รับความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขจริงๆสมกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านัตถิสันติพลังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกวา่าความสงบไม่มีจิตของข้าพเจ้าเข้าสู่ความสงบเพียงแค่นี้ก็มีความสุขมากแล้วเกิดเนี่ยเราจะรู้ได้ด้วยตวนเอ จากนั้นก็ถอนขึ้นมานะจิตใจที่เป็นอปันาสมาธินี่จะถอนขึ้นมานี่แหละเรื่องสมาธิมีอยู่สามท่านเท่านี้แหละคณิกาอุปจาระอัปปนานจากนั้นเราจะทํำยังไงอีกต่อไปทีเนี่ยอันนี้เราต้องศึกษาเลยเดินวิปัชนาแล้วเราเดิ น, ดนอย่างไรอันนั้นคือสมถะทั้งสามอย่างนี่นคือสมถะ แต่ว่าจิตที่รงเป็นอัปปนาสมาธินั้นจะพิจารณาอะไรไม่ได้เพราะมันเลือกเกินไปมันเลือกเกินไปแต่มีความสุขแต่แต่พระาไม่จริงจำเป็นไหมจะต้องทำให้จิตเป็นอัปปนาสมาธิเราไม่เราไม่ค า, าดหวังเราไม่ตั้งใจแต่เอาเถอะถ้ามันเป็นอัปปนาสมาธิเราก็จะรู้ได้ด้วยโชคดีของเราแต่ถ้าว่าพวกเราบางคนก็บอกอไม่อยากจะนั่งสมาธิแตกลัวติดสมาธิ อย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านว่าติดสมาธิแตมไม่จริงถ้าเราได้ศึกษาได้ฟังแล้วอย่างเนี้ยอย่างที่หลวงพ่อได้เรียนให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบเลยเราจะไปติดทําไมในสมาธิ่นะี่ยคือเป็นการพักชัว่วคราวเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องของจริงจังจิรฟังทาวรเพียงแต่เป็นเสื่อมพักจิตในชั่วขณะหนึ่งแต่เราก็ควรจะรู้เพราะว่าหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าเนรับ นั่งทสันติปรางสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราจะได้รู้จิตใจของเราจะได้มีกําลังจะได้เชื่อตั้งความเชื่อขึ้นมาอีกว่าทำคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่หลอกกันเล่นนะเป็นเรื่องจริงๆจังๆจริงๆเรื่องเรื่องความตายเนี่ยเห็นจริงๆร่างกายนี่ตายแน่แต่ว่าจิตใจคือนมามธรรมตรงนี้ไม่ตายเห็นได้ชัดในขณะที่จิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งนี่แหละ อันนี้ก็คือสมาธิแต่เมื่อเราจะเดินวิปัสสนานั้นเราจะเดินอย่างไรอันนั้นคือสมถถัตานคือทําจิตใจให้สงบสมาวิปัสสนานั่นก็คือเราจะเดินขนาดไหนจึงจะพอรอเหมอะจิต ใ, ใจสงบก่อนจังเดินใช่ไหมหรือว่าทำอย่างไงจึงวิธีการเดินสมาวิปัสสนานดินจะเดินอย่างไรแต่ตามไม่จริงพอแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนท่า น, นบอกว่าถึงจะจิตใจไม่สงบ นจิตใจเป็นธรรมดาเราก็เดินวิปัสสนาได้เดินยังไงวิ ป, ปัสสนาคือเปรียบเทียบเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในอย่างที่พวกเรานั่งรถไปถนนผนทางไปเห็นหมาตายปเป็นบัวตายไปเห็นสัตว์ตา ย, ยาที่รถเหยียบอย่างเนี้ยเราก็น้องหมาเราอีกว่าเออถ้าเราก็เหมือนกันนะถ้าว่าเราเออบ้านเมืองเกิดจึกสงครามเนี่ยถ้าตายอย่างนี้ไม่มีใครเก็บใคร เราก็พร้อมที่จะตายอย่างนี้ได้เหมือนกับตายแบบทั้ทั้งหลายในหลาล่างกายของมนุษย์เนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแท้แ น, น่นอนพร้อมที่จะตายอย่างนี้ได้อันนี้ก็คือการพิจารณาไปทางพิบัติชนะเริ่มแล้วแต่ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราได้นํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวมาชี้นําพวกเราในะท่านว่าให้ภาวนาให้แยกแยะ ดูร่างกายของตนเองนี่แหละกรรมฐานห้นี่แหละที่พระพุทธเจ้าวางไว้แต่ทีแรกอย่างพระสงฆ์พูดเข้ามาบวชแต่เป็นสมณะเองก็ดีเป็นพระก็ดีท่านให้กรรมฐานห้านี้เป็นหลักยึดทางด้านจิตใจเกษาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังอันนี้คือกรรมฐานห้าให้พิจารณาดูซินี่แหละทีนี้เมื่อจิตของเราผ่านความสงบมาแล้วนะจิตรวมลงเป็นหนึ่งมาแล้วเนะี่ย นำมาพิจารณาเนี่ยต่อลงตรงไหนพิจารณาอะไรกําหนดอะไรมันจะไม่ทะเลทลายนะมันจะไม่งกําหนดอะไรเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาทันทีถึงกําหนดภาวนาดูผมก็เห็นผมจริงๆขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, าม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไ้ ใ, ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายอันไหนคือเราอันไหนคือร่างกาย อันไหนคือธาตุสี่ดินน้ําลงไปประชุมกันอยู่แต่ใจมาอาศัยมาอาศัยธาตุสี่ดินน้ําลงไปแต่หลงหลงกางหลงร่างกายของตนเองหลงพอหลงร่างกายคนตนเองหลงร่างกายของคนอื่นพะหลงร่างกายอื่นล้นหลงทรัพย์สมบัติหลงยศถาบรรดาศักดิ์หลงสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นตนเป็นตัวตนของเราจริงๆแต่ที่แท้แล้ว ร่างกายของตนเองแท้ๆยังไม่ใช่ตัวตนของเราเราจะไปยึดของคนอื่นว่าเป็นของเราได้อย่างไรนี่อันนี้แหละคือดูล่านเนดูวิปัสสนาพระพรทธงค์ให้เห็นตามความเป็นจริงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราให้เห็นตามความเป็นจริงให้พิจารณาร่างกายแต่ท่านบอกว่าให้แยกส่วนแบ่งส่วนดูนะสนมมติว่าเอ า, เ, อ า, เ, อ า, เ, อาเห็นร่างกายของเราเรานั่งอยู่เรานั่งภาวนากาหนดดูใช่ว่า ร่างกายของเรามีอาการ32นะถอนขนของเราถอนผมของเราเอาไปไว้กองหนึ่งขนของเร า, เาไปไว้กองหนึ่งเล็บถอนไว้กองหนึ่งฟันของเราถอนไว้กองหนึ่งหนังถลกไว้กองหนึ่งเอนกระดูกเอาไว้ขนละกองละกองละกองกันแล้วถามตัวเองว่าของเราถ้าถอดออกไปแล้วชำระออกไปแล้วจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมในใจของเราที่แรกมันก็คงจะไม่ยอมรับ แต่เมื่อพิจารณาหลายครั้งตลอยผนก็ต้องยอมรับว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆไม่เป็นอย่างอื่นนี่แหละจากนั้นเมื่อเราพิจารณาจากนั้นเราให้พิจารณากระดูกก็ได้ทีนี่จะพิจารณาอะไรก็ไดในร่างกายของเราพิจารณากระดูกตั้งแต่กระโหลกศีรษะจนถึงคอจนถึงแขนกระดูกชีพโครงกระดูกสันหลังกระดูกเฉพกกระดูกขากระดูกเข่ากระดูกแข้งกระดูกฝ่าเท้า เราเห็นกระดูกที่ไหนเราก็น้อมกระดูกนะั้นมาเปรียบเทียบกับเราว่าเรามีกระดูกอย่างนั้นใช่ไหมนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านให้พวกเราพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงนึกว่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วจะทํำยังไงใชไหมว่ากระดูกร่างกายสังขาดไม่ใช่ตัวตนของเรานะใจนะใจอย่าไปลุ่มหลงนะให้เห็นตามความเป็นจริงนะอีกสักวันหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นนะ่ะเพราะนั้นอย่าอย่าหลงนะักใจนะอจากนั้นเมื่อใจของเรา ไม่หลงร่างกายเลยใจของเราหันหันเข้ามาดูใจของเราเลยมาดูที่ตัวผู้รู้ของเราทาไมเราจึงไปหลงร่างกายเมื่อหลงร่างกายและหลงสิ่งอื่นไปด้วยเพราะจากนั้นเราก็เป็นเราเป็นทุกข์กับสิ่งที่เราไปไปยึดไปถือเหล่านั้นเพราะนั้นพระพระุทธเจ้าท่านว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นให้ปล่อยวางเพราะร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราอีกทักวันหนึ่งนะ ขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตั ว, ตวของเราแล้วเราจะไปยึดของสิ่งอื่นมาเป็นของเราได้ยังไงน่าใจนะเนี่ยนี่แหละให้สอนใจท่านในเมื่อสอนกําหนดดูใจของตนเองแล้วท่านดูที่ใจปล่อยวางที่ใจใจเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พระพุทธเจ้าบอกกล่าวแล้วเราพิจารณาต่อหลายครั้งหลายหวนพิจารณาหเห็นตามความเป็นจริงใจของเราก็ เกิดนิพิทาคือความเบื่อหน่ายคลายเมื่อใจเบื่อหน่ายคลายใจกห็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่ยึดมั่นถือมั่นใจของเราก็เป็นเรียบบุคคลเป็นอมตะธาตุอตมตะธรรมมันออกมาจากตัวแตัวนั่นแหะตัวที่มันหลงจากก่อนๆนั่นแหละตัวที่ไม่รู้ก่อนๆนั่นแหละเหมือนกับเราเรียนหนังสือแต่ก่อนเราไม่ได้เรียนกอไก่ขอไข่ A B C D อะไรเราไม่รู้แต่พอเรารู้แล้วเนี่ยความฉลาดความรู้ก็เกิดมาจากตัวที่โง่นั่นตัวที่ไม่รู้นั่นมันออกมาจากที่นั่นนี่ก็เหมือนกันถ้าเมื่อเราพิจารณาไตรปองหาเหตุและผ ล, ล้วใจของเราก็จะดีดออกจาก ต, ตัวที่ไม่รู้นั่นดีดออกจากตัวนั้นใจของเราก็เป็นอัมตะธาตัอตมตธรรมไม่ยึดมัน่นถือมั่น จากนั้นก่อ น, นิพพานังปรามังสุ ข, ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรามังสุญอย่างนิพพานสูนสูนอะไรสูนเชื้อเชื้อที่จะทําให้เกิดแก่เจ็บตายอีกแล้วเรากำจัดออกแล้วจากใจของเราที่จะพาให้เกิดแก่เจ็บตายนั่นคืออะไรคือกิเลสราคะโทสะโมหะมันอยู่ในจิตใจของเราเราชําระกิเลสราคะโทสะโมหะออกแล้วสูนแล้วจุดนั้น่ มีติดจิตใจที่บริสุทธิ์เหมือนกับเรากําจัดพวกเชือ้อพวกมเมล็ดข้าวมีเปลือกมีตาถ้าเราเอาไปปลูกไปถูกความชืน้นถูกแดดอากาศมันก็งอกเลยขึ้นมาแต่ที่เราเอาไปเผาไฟสะเอาไปนึ่งสเอาไปต้มให้มันสุกสะมันสูญไหมมันไม่สูนแต่เชื้อมันสูญ แต่เพชิข้าวน่นไม่ศูญแต่เชื้อของมันที่จะทําให้เกิดน้ำมันศูนญในเหล่นิพพานังปรามังศูญอย่างนิพพานศูนยญคือศูนย์เชื้อที่จะพาให้มาเกิดอี่นะั้นพวกเรากําจัดแล้วพระพุทธเจ้ากําจัดพระหันกรสาวพวกของพระพุทธเจ้ากําจัดออกแล้วสิ่งที่พาให้เกิดนี่แหละขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะธรรมะทำคำสอนของพระพุทธเจ้านะที่ท่านบอกกล่าวที่ท่านสอนเอาไว้ มีคุณค่ามีประโยชน์สาหรับพวกเราตั้งแต่ทานศีลภาวนาอย่างที่อาตมาภาพหรือกระผมได้กล่าวบอกพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังจากนั้นก็ใน ก, การบวชของพวกเราควรจะทำตนให้เป็นพระที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเป็นสากะยะบุตเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแท้ แตเพราะเราถ้าเราไม่ทําตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราเป็นลูกที่จอมปลอมนะเป็นลูกที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระบิดาแต่พวกเราทำํำศีลให้บริสุทธิ์แล้วอยู่ในกรอบของศีลธรรมแล้วพวกเราจะเป็นลูกที่ดีของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นการประพฤติธปฏิบัติธรรมก็อย่างที่ผมได้กล่าวเรื่องสมาธิพิธีการเดินโยกรมทํำยังไงพิธีนั่งสมาธิทํำยังไง และวิธีการกําหนดทำยังไงและการพิจารณาทำจิตที่เป็นคณิกะอุปจาระอปปนาเป็นอย่างไรและวิธีเดินเดินวิปัสสนานะี่ยเดินอย่างไรตามไม่จริงเดินวิปัสสนาเนี่ยคือเดินวิปัสสนึกนึกคิดซะก่อนแต่นึกคิดให้เป็นไปตามความเป็นจริงเมื่อที่นึกคิดตามความเป็นจริงแล้วใจของเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนะ เพราะ้ขอให้พวกเราทุกๆท่านนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทแต่ถ้าพวกเราตั้งอยู่ในความประมาทแล้วนั่นแหละพวกเราจะทะเลาะถらいถลําไปเรื่อยละ่ะไม่มีที่สิ้นสุดจะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนานเท่านานเพราะเหตุไรเพราะเราหลงหลงหลงว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นของจิรังถาวนวานคิดว่าจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ใช่นะพราะพระทัเจ้าท่าน ไปพิสูจน์ดูแล้วไปได้ตัดสู้ที่โครนต้นโพน่ะวันเดือนหกเพนวันนั้นละ่ะพระพุทธองค์ได้ตัดสู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณและท่านได้ค้นคว้าศึกษาและจากนั้นท่านได้นำพระธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะมาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอย่างที่ผมและอรรมาภาพได้เรียนให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบนี่แหละ เพราะธั้นทํคำสอนของพระพุทธเจ้าเนะี่ยไม่ใช่ของหลอกไม่ใช่ของหลอกกันเล่นเป็นของจริงพวกเราทําจิตใจให้สงบเป็นหนึ่งเท่านั้นนะ่ะพวกเราจะรู้ได้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นคือร่างกายกับใจของเราเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบมาเห็นชัดๆก็ร่างกายเหมือนกับรถจิตใจของเราเหมือนกับคนขับรถ รถกับคนขับรถติไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแต่ว่าอาศัยกันใจก็เหมือนกับคนขับรถแต่ร่างกายเหมือนกับรถแต่ว่ารถกับคนขับรถนั้นเวลารถมันเสียรถมันเสียใจไหมรถไม่เสียใจนะคนขับรถเนี่ยเสียใจอย่างมากเดินบนแล้วบนอีกเปิดฝากระโปรงแล้วปเปิดฝากระโปรงอีกเพราะเหตุไรเพราะรถมันเสียรถมันมีโอกาสเสียแต่ว่าคนขับรถนั้น มันเสียมากๆขํามใงไหนแก้ไขไม่ได้เครื่องมันพังหมดอย่างนี้ใจตรงนั้นก็ต้องออกจากร่างไปปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆไปได้ทั้งนะั้นถ้าเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะพาไปสู่ทุกขติถ้าไปทางกรรมดีกรรมดีก็ไปสู่สุ ข, ขติอย่างที่เขาเล่าเป็นแนวความคิดให้แก่พวกเราทั้งท่านหลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ได้มาในพระไตรปิดกนะแต่มาเป็นคล้ายๆ ข, ขอเป็นแนวความคิดให้แก่พวกเราได้ฟังแต่มาภาพจะได้เล่าๆให้ฟังสักหน่อยเป็นแนวความคิดนะเขายกเป็นอุ ป, ปมาอุปไมยขึ้นมาไงอุปมาอุปไมยคือยกเป็นบุคคลขึ้นมาเขาบอกมีตาแก่คนหนึ่งอายุประมาณเจ็ดสิบปีตาแก่ก็ทํามาค้าขายหมั่นขยันธรรมาเลี้ยงชีพ เอเป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคมพ่อต่อมาเจนี่อายุเจ็ดขิปีแต่แกก็ยังไม่ได้คิดก่อไม่คิดว่าตัวเองจะตายเพราะการทํามาค้าขายการเป็นอยู่ของแต่แกก็มีความสุขเอออยู่ตลอดแต่วันดีคืนดีมาเออแต่แก่ก็เลยเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอแต่แกก็เลยตายหัวใจวายเหมือนกันตายแบบกระทันหันไม่ได้คิดอะไรไว้ก่อน แต่ก่อนก็คิดคิดไปกันะ เ, เขียนพินัยกรรมไว้แต่เขียนแบบ ข, ข่าวๆหรือเขียนแบบที่ไม่จริงจังไว้กันเถอะตอนนี้พอตายไปยมมาทู่วเขาก็ทหารยมมาทู่วเขาก็ล็อกลักแล้ทั้งสองข้างนไปสู่ปรโลกเลยรแบงั้นเถอะตอนนี้พอไปสู่ปรโลกเถอะเขาก็ปล่อยไว้เออเอาลงรออยู่ที่ขอนนะได้อีกสักหน่อยนะยมมาทู่ท่านจะเรียกแล้วก็ขึ้นไปนะขึ้นไปสาร คือตามไม่จริงก่อนที่จะไปสู่สารปรโลคนะมันมีหลายสารเหมือนกันนะเมื่อเราไปไปเครื่องบินอย่างนั้นอนะ่ะไปเครื่องบินเราจะไปสู่สนามบินไปประเทศไหนไปสหรัฐไปอังกฤษไปยุโรปไปที่ไหนเขาจะมีช่องของใครของเราเนะี่ยจะไปขึ้นเครื่องอย่างนั้นเถอะแต่ที่ตะแก่เนี่ยไปไปทางตับเหมือนั้นเถอะเพราะว่าตะแก่ไม่ได้คิดไว้ก่อนนะว่าตัวเองจะตาย ยังไม่ได้สังสมคุณงามความดีอะไรไว้เลยเพรงั้นเด็มีแต่ทามาหาเลี้ยงชีพการทํามาหาเลี้ยงชีพนี่แหละเป็นทางที่ถูกต้องแต่ตามจริงไม่ถูกนะการทํามาหาเลี้ยงชีพเป็นการดูแลสุขภาพร่างกายเท่านั้นเองแต่ส่วนจิตใจนั้นจะต้องอาศัยหลักธรรมะเข้ามาประพฤติปฏิบัติมีศีลมีธรรมอันนั้นคืออาหารของใจอาหารของกายนี่ก็คือปัจจัยสี่แต่ถ้าแก่ไม่ได้สนใจเรื่องอาหารของใจวิตา ทุกเปลี้ยงอาหารของกายให้บริเต็มเปี่ยมบริบูรณไม่ให้อดไม่ให้อยากแต่อาหารใจไม่ได้เคยคิดไปก่อนว่าตัวเองจะตายคุณงามความดีสิ่งไหนไม่เคยสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้เพราะนั้นตาแก่ก็พอตายไปแล้วกันเขาก็เอาไปช่องเอาไปช่องนรกว่ากันะไปช่องทางต่ำพอไปนี่ครับตาแก่ก็โมโหในใจเพราะงั้นะพอเสร็จแล้วเขาก็เรียกขึ้นไปหายมมาโทษพ่อจะไปตัดสิน แต่สียงวจ่จะไปจะไปนรกหลุมไหนนี่ตะลึกตะึ้นไปตะแกเห็นหน้ายมมาโทษตะแกก็ทําบันเสียงเลยว่างั้นยอมมาโทษน่อยทากับพ้าพเจ้าอย่างนี้ไม่เป็นธรรมเลยทําไมท่านทํากับผมอย่างนี้ตามที่จริงก่อนที่จะเอาผมมาก็ต้องเตือนผมที่บอกผมกล่าวผมซะก่อนที่ที่ในกงพิ่นกรรมผมเขียนไว้ยังไม่ได้มอบให้แก่ใครเลย แล้วกับการงานนั่นที่การงานก็เหมือนกันผมยังไม่ได้มอบไปแก่ใครเลยเอาผมมาแบบนี้ไม่เป็นธรรมสำหรับผมเป็นอย่างมากเลยที่ยอมมาถูดท่านก็เห็นแล้วแฮตะเกตคนในตะบันเสียงใส่ยกมาทูดท่านก็มีค้อนตะพดใช่ไหมแหมค้อนอำนาจของท่านท่านก็วางปั้งตรงบนโต๊ะฮะ อ, อันนี้ปรละโลกนะไม่ใช่มนุษยโลกนะอันนี้ปะโลกนะ พทษอะไรต้องระวังทําไมจึงว่าเราไม่เตือนเราเตือนมาหลายครั้งยกมาโูษเขาบอกทางตาแก น, นบอกไม่ครับผมไม่ได้รับเลยที่ท่านเตือนไปที่ท่านเตือนไปผมยังม ไ, ยามาไม่ได้รับยกมาท้วกว่าไม่ได้รับยังไงเตือนมาหลายครั้งแล้วสมัยผมงอกอเมื่ออายุเท่าไหร่ ผมขาวนะอายุเท่าไหร่อายุประมาณสี่สิบกว่าครับเริ่มผมขาวแล้วทำยังไงผมก็ยอมมันอีกครับเนี่แหละมันไม่ยอมรับเตือนไปแล้วผมบอกว่าแกแล้วนะผมขาวแล้วนะเนยังไม่ยอมฟังยังย้อมผมอีกต่างหากแล้วฟันหลุดลอายุเท่าไหร่สี่สิบกว่าปีครับแล้วทำยังไงผมก็ใส่ฟันใหม่นั่นแหละยังไม่ยอมรับใช่ไหมว่าตัวเองแก แน่จดหมายฉบับที่สองนะนะฉบับที่สาม่ตาฟ้าฟางังอายุเท่าไหร่ที่มองที่มองไม่ชัดที่ใส่แว่นอายุสี่สิบกว่าปีครับนั่นแหละจดหมายฉบับที่สามแล้วทํายังไงผมตัดแว่นใส่ครับทําไมเพราะว่าอ่านหนังสือไม่ค่อยออกเพราะ ม, ม, มันมันมันมัวตามัวแล้วก็มองดูโทรทัศน์ก็ไม่ชัดเจนอีกผมเลยตัดแว่นใส่นั่นแหละ จดหมายฉบับที่สามเราหูตึงล่ะ เ, เมื่อเท่าไหร่ยมมาโทษเขาเลยเตือนไปเรื่อยบอกไปเรื่อยท่นนี้ตาแกก็เลยจำนนจํำนนต่หลักเหตุผลด้วยว่ายมมาโทษเตือนแล้วตัวเองก็ไม่ฟังวะงั้นแต่มีแต่มีแต่ว่าตัวเอง ต, ตัวเองจะอยู่ในโลกวตฏสงสารนานเท่านานแต่ที่ยมมาโทษเขาเตือนอผมหงอกผมขาวแล้วนะฟันหลุดแล้วนะตาฝ้าฟางแล้วนะ หูตึงหูนั่นนะนะอฟันหลุดแล้วนะหนังเหี่ยวแล้วนะหลังคอมแล้วนะก็ยังไม่ฟังมานี่แหละโยมบรรทุกหรือว่าเนี่ยเตือนมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งอก็ยังไม่ฟังเอาไปทหารโยมบรรทุกเอาไปลงกระทะทองแดงซะให้เก็บนะเอผลที่สูดก็เลยทหารโยมบรรทุก็เลยเอาไปลงกระทะทองแดงนั่นแหละตอนนี้มีชายหนุ่มอีคนหนึ่งเทนี้ ไปตามหลังกันขึ้นไปงนั้นตามหลังกันไปสองคนกับตาแก่ตาแก่ชายหนุ่มคนนี้อายุเพียงยี่สิบกว่าปียี่สิบสามปีท่านจมาโทษครับที่ท่านเตือนคุณลุงคนนั้นแต่ถ้าไม่ได้เตือนผมเลยนะผมยังไม่มีอะไรอย่างที่ท่ทานเตือนคุณลุงคนนั้นยมมาโทษก็บอกว่าการเตือนไม่ใช่เตือนแบบเดียวกัน เตือนมีหลายอย่างแล้วมีคุณเธอมีเพื่อนไหมมีครับเพื่อนที่สนิทกันใช่ไหมใช่ครับอายุเขาเท่าไหร่อายุเขายี่สิบ ต, ตายครับเขาพเป็นอะไรเขาไตาวายครับและเธอตายเพราะอะไรเพราะเป็นวรณโรกปอดครับแน่นแหละเราเตือนเธอแล้วบอกว่าเนี่ยขนาดเพื่อนอายุน้อยยังเป็นยังตายได้ยัยเป็น อย่างตายวายแล้วตายได้ทำไมเธอไม่คิดว่าข้าอีกสักวันหนึ่งข้าจะต้องตายเหมือนกับเพื่อนของข้าทำไมไม่คิดนี่แหละแต่บัดนี้เธอมาถึงจุดที่เธอก็ตายอย่างเขาไม่ใช่เหรอเะว่าเราไม่เตือนได้อย่างไรมาณะาภัยเพื่อเห็นคนอื่นเขาตายก็น้อมมาหาตัวเองว่าเอออีกสักวันหนึ่งข้าจะต้องข้าพระเจ้าจะต้องตายนะข้าพระเจ้าจะ ไม่ควรจะตั้งอยู่ในควา ม, มาาประมาทข้าพเจ้าควรจะสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้มันจึงจะถูกอันนี้เธอไม่ได้คิดอะไรเลยเนีเอาถ้าเธ อ, เธ อ, อยังน้อยหนุ่มไม่ได้ทํากล้ำอะไรมากมายไปไปหาเกิดซนะต่อไปอย่าไปเส่อซ่ายอย่างนี้อีกนะยมมาทูดเขเลยเตือนว่า ง, งั้นเถอะนี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังดูสิพวกเราเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างหลวงพ่ออินเดที่ใส่แว่นแล้วนะเนีแสดงว่ายมมาทูดเตือนแล้วว่างั้นเถะ อย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะลงพ อ, อยินหน้าเนี่ยแหละเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านพูดทางนี้ท้งนั้นคือเป็นแนวความคิดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทคนเราเกิดมาแล้วก็นั่นแหละอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านกลัวมากทนะ่านคือกลัวความแก่ความเจ็บความตายและตายแล้วไม่สูญอีกต่างะตายแล้วเกิดเนี่ยแหละถ้าว่าพวกเราไม่มีคุณงามความดีไม่มีบุญกุศลอยู่ในจิตในใจแล้ว เกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็จะเป็นผู้กดหยา เ, เพราะว่าไม่มีบุญเพราะนั้นพวกเราควรจะเตรียมสเสบียงเดินทางต่อไปภายภาคหน้าอีกสักวันหนึ่งนะวีซามาถึงนะ่ะพวกเราจะต้องเดินทางแน่นอนไม่งนะั้นเดี๋ยวนี้ไม่ทัอว่าวันไหนวนะีซ่าเขาจะส่งมาให้พอเรามาเกิดแล้วเขาก็เตรียมวีซ่าไว้แล้วอีกวันดีคืนดีเขาก็ส่งวีซ่ามาให้ พอส่งวีซ่ามาให้เราก็จะต้องเดินทางต่างประเทศนะท่านไม่รู้ว่าไปทางไหนนะท่านเขาก็ส่งขึ้นเมนนะั่นหละนี่แหละส่งขึ้นต่างประเทศจากนั้นเราไปตามลําพังนะนะท่นเนี่ยบุญกุศลเรามีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ถ้าว่าพวกเรามีคุณงามความดีเอาไว้มีบุญกุศลในจิตในใจแล้วเราจะไปที่ไหนก็ไปเอถอะที่าน ไม่คิดว่าจะทุกยากลําบากเพราะเหตุไรเพราะว่าเรามีทุนในจิตใจเหมือนกับคนมีเงินคนมีบุญเหมือนกับคนมีเงินคนมีเงินไปต่างประเทศเป็นยังไงไปที่ไหนหสะดวกสบายหมดเพราะมีเงินแต่เราไม่มีเงินไปต่างประเทศด้วยทุนน้อยอย่างเนี้ยเราต้องใช้แบบเข้มแข็งถ้าไม่มีทุนเฉลยจะเป็นยังไงไปต่างประเทศมีแต่ความทุกยากลําบากเพราะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่าน อยาตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้วันนี้อธมาภาพหรือหลวงพอ่อได้พูดเกี่ยวกับงานวันนี้เป็นงานผูกพัทสิมาปิดทองฝังรูปนิมิตณวัดหนองเกาะแก้วบ้านหนองเกาะแก้วตำบลสะตึกอำเภอสะตึกจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่15จนถึงวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2553วันนี้แล้วก็วันนี้เป็นวันที่18นะอีกวันพุ่งนี้ก็คงจะเสร็จบริบูรณ์เพราะนั้นบุญกุศลที่พวกเราทันทั้งหลายได้มาทำในข่าวนีเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ที่พวกเราได้มาช่วยกันบําเพ็ญผูกพัท ธ, ธิ ม, มาแล้วก็บรรจุพระบรมสารีิกษธาตุบน เสียงพระประธานที่สลาแห่งนี้ล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญคุณงามความดีเบื้องต้นหลวงพ่อได้กล่าวได้กล่าวพาพุทธภาสิทธิ์ที่ว่าทีโรจากสุขสังวโสยาตีนางวะสมาขมโมติการอยู่ร่วมกับนักปราช นำความสุขมาให้การอยู่ร่วมกับนักปราชญ์นำความสุขมาให้ทวันนักปราชญ์คนนี้คืออะไรคือคุณงามความดีถ้าเราอยู่กับนักปราชญ์อยู่กับคุณงามความดีแล้วมีแต่ความสุขความเจริญถ้าพวกเราอยู่กับคนชั่วรเรียกว่าความคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเหมือนกับพาละชนเราจะมีแต่ความทุกข์ อยู่ในจิตในใจเพราะความชั่วนั้นจะพาเข้าฟุกเข้าตารางพาไปในสิ่งที่ชั่วช้าเสียหายทั้งนั้นแต่ถ้าพวกเราอยู่กับบัณฑิตนักปราชญ์คืออยู่กับศีลกับธรรมศีลห้า น, นั่นแหละคือบัณฑิตนักปราชญ์พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแป0 0 0ืี่พันระธรรมขันธ์นั่นแหละคือบัณฑิตนักปราชญ์พวกเราให้ศึกษาเข้าไปอยู่ใกล้บัณฑิตนักปราชญ์ น่กบันทินนักปราชญ์ท่านสอนอย่างไรให้มีศีลห้านะให้มีทานนะให้มีศีลนะให้มีภาวนานะพวกเราจะปฏิบัติตามนักปราชญ์ที่ท่านปราชญ์ที่ท่านสอนพวกเราจะมีแต่ความสุขความเย็นใจอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความสุขมรวมเย็นเป็นสุขแต่ถ้าพวกเราอยู่ใกล้พาละชนคือข oh ี้เหร่ราคะโทสะโมหะเนดึงถลําไปในทางที่ชั่วแล้วพวกเราจะมีแต่ความทุกข์ ในจิตในใจนั้นพวกเราให้เข้าอยู่ใกล้ปราดคือปราดคือบัณฑิตนักปราดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็จัดว่าเป็นนักปราดเป็นมนุษย์แต่ถ้าเป็นบัณฑิตนักปราดเพราะท่านแนะนําสั่งสอนให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอย่างยุคปัจจุบันนี้ก็ท่านได้เทศใน m อ็มพีางหนังสือบั้งทำลิญิีวั้งประวัติของท่านบั้งในเมื่อล่วงรับท่านหลวงรับดับขันไปท่านก็กระดู ของท่านก็ได้ ก, กลายเป็นพระธาตุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเพราะฉะนั้นพวกเราเกิดมาภพนี้ชาตินี้ถ้าจะวาดไปแล้วเป็นผู้โชคดีอย่างมากนะหลวงพ่อว่านะเพราะเหตุไรเพราะ ว, ว่าเกิดมาแล้วเราเราได้พบพระอรหันต์พระอรหันต์ก็คือเนี่ยกัอธิธาตของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้ ก, กลายเป็นพระธาตุนะั้นไม่เป็นอย่างอื่นกระดูก ข, ของท่านในเป็นพระธาตุถือพระอรหันต์เท่านั้นเพราะนั้นเราเกิดมาในภพนี้ชาตินี้เราได้ฟัง ทำพระเทศนาฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าฟังทําคําสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะเสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีก็หันหน้าก็าหาการปรึกษาปรัรบกันพี่ได้สองน้องได้ถึงจากนั้นก็นเราไม่ถึงร้อยปีนะไม่ถึงร้อยปีนะร้อยปีนี่ก็อดสภาพนะแต่เมื่อกี้เนี่เมื่อวานเนี่ยมืวันนี้นะตรกพ่อไปอยู่ที่วันห้วยทราย ที่เป็นหลวงอาหลวงปู่จามที่เป็นหลวงอาท่านอายุร้อยร้อยหนึ่งปีนะจะเข้าร้อยสองปีแล้วดูดูแลก็โอหมดสภาพแล้วกันนะ้ะเนเพราะนั้นอายุร้อยปีนะี่หมดสภาพแล้วนะวร่างกายนะเนี่ยความคิดความอะไรเชืองช้าไปหมดเลยเพราะอายุมากคนระัเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่างหลวงพ่อหลวงพ่อไม่คาดไปคิดอนะว่าจะถึงอายุเหมือนกับหลวงอา คงจะไปก่อนว่ากัน เ, เพราะว่าดูๆแล้วร่างกายของพวกเราที่ผ่านผ่านมาเนี่ยอย่างที่เห็นเห็นมาเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะ เ, เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทก่อนที่ถึงก่อนที่จะถึงจุดนั้นอขอให้พวกเราสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเราถ้าเราเต็มไปด้วยบุญกุศลแล้วเราไม่ต้องเสีย อ, อกตกใจ ยิ่งพวกเราได้สำเร็จชำระใจของเราบริสุ์เป็นพระอรหันต์นั้นแหละทิ้งพาชนะดินไปรับพาชนะทองคำนะทิ้งภาชนะดินไปรับภาชนะทองคาอันนี้คือพาราหาเวนปันจับขันธาขันทั้งห้าเป็นพระอ น, นัคในเมื่อบนันดาท่านก็ทิ้งทิ้งขันท่านก็ไปสูงนิพพานนี่แหละอันนั้นเลิดประเสริฐที่สุดแต่พวกเราไปถึงขนาดนั้น เราก็ให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจให้มั่นใจว่าเออข้าพเจ้าทําคุณงามความดีเต็มความสามารถของข้าพเจ้าแล้วถ้าว่าข้าพเจ้าออกจากชาตินี้ไปแล้วข้าพเจ้าต้องมีความสุขแน่เพราะข้าพเจ้าไม่ได้ฆ่าใครไม่ได้เบียดเบียนใครเราข้าพเจ้ารักษาศีลภาวนาปฏิบัติให้ทานรักษาศีลภาวนาโดยสม่ําเสมอเป็นที่อุ่นใจของข้าพเจ้าแล้ว